เนเตลนพรญาติโยสาวุชนชทุกท่านคนเราเนี่ยไม่ว่าจะมีความแตกต่างกันเพียงใดสิ่งหนึ่งที่เรามีเหมือนกันก็คือเราล้วนปรารถนาความสุขะความปรารถนาความสุขเนี่ยก็เป็นแรงผลักดันที่ทำให้เราขยันหมั่นเพียร ทั้งในการเรียนในการศึกษาหมั่นเพียนในการทำงานศึกษาหาความรู้แม้กระทั่งการที่เราให้ทานรักษาศีล น, นะหรือว่าภาวนาที่เรียกว่าบุญกิริยาพุทธเนี่ยก็เลือแต่มีแรงจูงใจก็คือปรารถนาความสุข เพียงแต่ว่าความสุขที่แต่ละคนปรารถนาเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกันนะและวิธีการก็แตกต่างกันไปเมื่อปรารถนาความสุขแล้วเนี่ยเราก็อยากจะห่างไกลจากความทุกข์เราก็ทําทุกอย่างที่เราทำทุกยุค ทุกวันนี้ก็ก็เพื่อไม่ให้ความสุขเข้ามาถึงตัวเราหรือเพื่อที่จะห่างไกลจากความเพื่อไม่ให้ความทุกข์เกิดขึ้นกับเราแล้วก็เพื่อที่ห่างไกลจากความทุกข์แต่ว่าความจริงข้อหนึ่งก็คือความทุกข์เป็นสิ่งที่เราหนี้ไม่พ้น อันนี้จะได้เป็นข่าวร้ายก็ได้ในบทสวดมนต์ธรรมวัดธรรมวัดเช้าถ้าเราอ่านแล้วก็แปลได้ออกเนี่ยนะเลยเพราะถ้าเรามีการสวดมนต์แปลจะมีข้อความตอนหนึ่งบอกว่าเราทั้งหลายเป็นผู้ที่ถูกความทุกข์อย่างเอาแล้วเป็นผู้ที่มีความทุกข์เป็นเบื้องหน้าแล้วนะความทุกข์ไม่ใช่แค่อยู่เบื้องหน้าเรา หรือรอเราอยู่เท่านั้นแต่ว่ายังอยู่ในตัวเราด้วยนะเพียงแต่ว่ามันรอเวลาแสดงตัวออกมาอย่างเช่นเรานั่งอยู่ตรงเนี้ยนะตอนที่เริ่มนั่งใหม่ๆก็สบายนะเดี๋ยวก็จะเริ่มรู้สึกเมื่อยรู้สึกปวดรู้สึกเครียดนะถึงแม้จะเป็นคนมีสุขภาพดีนะไม่เจ็บไม่ป่วยเลยแต่พอั่งนานๆ ความทุกข์มันก็แสดงตัวออกมาในรูปของความปวดความเมื่อยนะแต่ทจริงมันก็ยังมีความทุกข์อย่างอื่นที่จะตามมาเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าเราจะหนีทุกข์เพียงใดก็ตามเนี่ยความจริงอย่างที่เราต้องยอมรับคือเราหนีมันไม่พ้นแต่ ถ้านั่เป็นข่าวร้ายข่าวดีก็คือว่าความทุกข์มันเป็นของชั่วคราวมันมาแล้วก็ผ่านไปตกอยู่ภายใต้กฎอนิจจังเหมือนกันความปวดความเมื่อยที่เกิดขึ้นกับเรานะในค่ำคืนนี้นะสักพักมันก็จะหายไปนะถึงแม้จะไม่ขยับเลย คนที่นั่งกรรมฐานเนี่ยบางครั้งเนี่ยพอนั่งนานๆครูบาอาจารย์ก็กำชับว่าห้ามขยับห้ามลุกนะความปวดความเมื่อยมันก็จะเพิ่มทวีขึ้นเรื่อยๆจนกาทั่งบางทีเหมือนกับว่าจะทนไม่ไหวแต่พอถึงจุดหนึ่งนะความปวดมันก็ค่อยๆเลือนหายไป หายไปไม่ใช่จากความรู้สึกจากการรับรู้แต่ว่าบางครั้งก็หายไปจากกายของเราด้วยนะอันนี้ครูบาอาจารย์ก็ทำชนนัตเพื่อสอนให้เราเห็นว่าความทุกข์นะแม้มันจะอยู่คู่กายเราแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ว่าจะอยู่ถาวร ม, มาแล้วก็ไป นั่นคือข่าวดีข้อแรกข่าวดีข้อที่สองคือว่าไม่ว่าจะมีเหตุการณ์เหตุร้ายเกิดขึ้นกับเราอย่างที่เวลาเราสวมดมนต์เนี่ย mm. ก็จะมีข้อความว่าความเกิดก็เป็นทุกข์ความแก่ก็เป็นทุกข์นะ ต้องประสบการประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักก็ทุกข์พัดพราดจากสิ่งที่รักก็เป็นทุกข์นะดูเหมือนว่ามันมีทุกข์เต็มไปหมดเลยแต่ว่าแม้มันจะเกิดขึ้นกับเราเพียงใดใจเราไม่ทุกข์ก็ได้ความแก่เป็นทุกข์ก็จริงแต่ใจไม่ทุกข์ก็ได้ ความทุกข์เราสามารถจะอยู่กับมันได้โดยที่ใจไม่ทุกข์นะอันนี้เป็นสิ่งที่ทุกคนเนี่ยทำได้นะเพราะจะว่าเป็นแล้วเนี่ยเวลามีเหตุร้ายเกิดขึ้นกับเราเช่นป่วยนะไม่สบายแม้จะป่วยกายเนี่ยแต่ใจไม่ป่วย ใจไม่ทุกเนี่ยทำได้แม้จะสูญเสียของรักพัดพรากจากคนรักแต่ว่าใจไม่ทุกเนี่ยทำได้นั่นก็หมายความว่าแม้ว่าเราจะมีความทุกอยู่เบื้องหน้าเราแม้ว่าเราต้องเจอกับความทุกแต่ว่าเจอแล้วใจไม่ทุกก็ได้ แต่ทําไมนะผู้คนส่วนใหญ่เนี่ยเวลาเจอเหตุรายเนี่ยนะมันถึงทุกข์บางทีกายไม่ทุกข์แต่ใจทุกข์นะเช่นถูกวิจารณ์ถูกตำหนิตีเตียนนะ <c oughs> กายไม่ทุกข์แต่ใจทุกข์แต่พอใจทุกข์แล้วเนี่ยมันก็พลอยทําให้กายเนี่ยเป็นทุกข์ไปได้เหมือนกันเช่นความดันขึ้นนะ หรือว่าเครียดจนล้มป่วยนะจะว่าไปแล้วเนี่ยคำต่อว่าดาทอคำตำหนิติเตียนหรือว่าการสุเสพพากเนี่ยนะมันไม่จำเป็นต้องทำให้ใจเราทุกข์ เสียแต่เงินแต่ว่าใจไม่เสียเนี่ยทำได้แต่ที่เราพอเจอมันแล้วเนี่ยใจทุกเนี่ยก็เพราะว่าเราวางใจไม่ถูกเราวางใจไม่เป็นเช่นใจเนี่ยมันต่อต้อตานผักใสให้เราสังเกตน่เวลามีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยถ้าใจเราผักใสมันเมื่อไหร่ มีความรังเกียจมีความชิงชังสิ่งนั้นเมื่อไหร่ความทุกข์ใจเกิดขึ้นทันทนะีแม้อาหารที่เรากินจะอร่อยนะแต่ถ้าเกิดว่าไม่ชอบมันขึ้นมานะอาจจะเป็นเพราะเราคาดหวังว่ามันต้องอร่อยกว่านี้นะ หรือว่าไปเห็นข้อตำหนิของมันขาดเครื่องนะเครื่องไม่ครบนะขาดอย่างง้นขาดอย่างนี้เนี่ยพอมองแบบนี้เขาเนี่ยใจนี่เป็นทุกข์เลยแล้วพอทุกข์แล้วนะไม่ว่าจะเป็นทุกข์เพราะความไม่พอใจหรือว่าเพราะความไม่ชอบอาจจะ มีความโกรธเกิดขึ้นเมื่อได้ยินคำต่อว่าคำตำหนิติเตียนแทนที่เราเนี่ยจะสลัดความทุกข์ออกไปจากใจสลัดความโกรธความห ง, งุดหงิดออกไปจากจิตใจเนี่ยเรากลับเก็บมันเอาไว้ก็ทำให้เราเป็นทุกข์มากขึ้น บ่อยครั้งเนี่ยเราทำร้ายตัวเองไม่ใช่คนอื่นทำร้ายเราคำพูดที่ไม่ถูกหูเนี่ยถ้าเราไม่สนใจใจก็ไม่ทุกข์นะแต่เราสังเกตไหมถ้าไม่ชอบอะไรก็ตามเนี่ยใจยมันก็ยิ่งไปจดจ่อยอยู่กับสิ่งนั้นมันยิ่งไปยึดนะคำพูดที่ไม่ไพเราะ มากระทบผูเรานะเรายิ่งจำนะแล้วก็ยิ่งเก็บเอามาคิดยิ่งว่าเราเจ็บเจบว่าเราแรงแรงมากเท่าไหร่ไม่ว่าด้วยคำพูดหรือด้วยข้อเขียนเช่นคอมเมนต์ใน Facebook งนนะโอ้เรายิ่งยิ่งโกรธนะแล้วก็ยิ่งเก็บเอามาคิดนะเราเคย ตนหนักหรือไม่ว่านั่นนกคือการทำร้ายตัวเองบ่อยครั้งเนี่ยเราทำร้ายตัวเองโดยไม่รู้ตัวเพราะการไปเก็บเอาอารมณ์ที่เป็นอกุศล น, น, นั้นเนี่ยมาไว้ในใจหรือว่าการโหนคิดถึงเหตุการณ์เหตุร้าย ที่ไม่น่าพึงพอใจคิดวกไปเวียนมาซ้าแล้วซ้าเล่าผู้เจ้าตรัสว่าคนพันหรือผู้มีปัญญาสามเนี่ยย่อมทำกับตัวเองประหนึ่งเป็นศัตรูหมายความว่าอย่างไรความหมายพื้นพื้น ความหมายที่เห็นได้ใช่คือว่าคนที่เอาแต่กินเหล้าสูบบรีหมกมุ่นอใบยมุกหรือว่าผิดศีลเนี่ยพวกนี้เนี่ยนะไม่ว่าเขาจะทําด้วยเหตุผลใดก็ตามแต่ว่าเขากำลังทำร้ายตัวเองเกินเหล้าเมา ย, ยาอันนี้มันก็ทำร้ายสุขภาพทำร้ายครอบครัวนะทำให้ไม่เป็นที่น่าเชื่อถือของผู้คน หรือว่าถ้าผิดศีล น, นะมันก็ทำให้เกิดวิบากทำให้เกิดความเกลียดชังทำให้ไม่เป็นที่เคารพนับถือหรือทำให้อายต้องติดคุกติดตารางนะอันนี้เรียกว่าทำร้ายตัวเองทำกับตัวเองเหมือนกับเป็นศัตรูแต่นั่นมันเป็นเป็นการทำร้ายตัวเองแบบหยาบนะมันมีการทำร้ายตัวเองแบบที่ ละเอียดนะซึ่งคนดีหลายคนนะก็ทําชนะกับตัวเองโดยไม่รู้ตัวนะแม้จะไม่กินเล่าไม่จะไม่สูบบุหรี่แม้จะไม่เกี่ยวข้องกับไบมุกแม้ว่าจ ะ, ะจะให้ทานนะรักษาศีลไม่ผิดศีลนะแต่ว่าพอมีเรื่องอะไรกระทบใจก็ไม่รู้จักปล่อยไม่รู้จักวาง เก็บยึดทั้งเหตุการณ์เหล่านั้นเอามาตอกย้ำซ้ำเติมอยู่เรื่อยๆและมีนําซ้าพอเกิดอารมณ์ขึ้นตามมาเช่นความโกรธความเสียใจความรู้สึกผิดก็ยิ่งยึดมันเข้าไปแล้วก็มันก็กลายเป็นการทำร้ายตัวเองถ้าเรารักตัวเองจริงเราต้องรู้จักปล่อยรู้จักวางมัน ใชมแต่คอยสังเกตมามว่าคนเร า, น เ, ารเนี่ยเวลาโกรธเนี่ยเราจะหวงเราจะแหงความเราจะโผลแหงความโกรธได้มากเลยเราจะไม่ค่อยอยากจะปล่อยมีเพื่อนมาแนะนำว่าให้อภัยก็ไปเถอะนะเราก็ไม่ยอมฉันจะไม่อภัยมันฉันจะเกลียดมันไปจนตายฉันจะโกรธมันไปจนตายบางทีนอกจากไม่ยอมปล่อย ความโกลัแล้วเนี่ยอาจยังเกลียดยังไม่พอใจเพื่อนที่แนะนำให้เราให้อาภายัยซะอีกแล้วความโกรธความเกลียดที่เรารักษาเราห่วงเราแหนเอาไว้เนี่ยมันดีกับเราไหมนะมันทำให้เราเนี่ยกินไม่ได้นอนไม่หลับทำให้ความดันขึ้ น, นทำให้เจ็บป่วย เคยมีผู้หญิงคนหนึ่งนะแกอายุยี่สิบกว่าและแกมีปัญหาสุขภาพปวดหัวปวดท้องเรื้อรังมาหลายปีความดันขึ้นนะไปหาหมอครั้งแล้วครั้งเล่าเนี่ยก็ไม่ได้ช่วยอะไรเลยหมอเองก็แปลกใจเพราะว่าตรวจสุขภาพแกเนี่ยไม่มีอะไรผิดปกติร่างกายปกติทุกอย่าง จนทังวันหนึ่งเนี่ยหมอก็ถุกคิดขึ้นมาก็เลยนเลยถามเธอว่าไหนคุณช่วยเล่าชีวิตคุณให้ฟังหนะ่อยเธอก็เล่าว่าเธอเป็นเด็กกำพร้าตั้งแต่เล็กแล้วพอแล้วก็อยู่ในความดูแลของพี่สาว <c oughs> สองคนเวลาเธอพูดถึงพี่สาวเนี่ยเธอก็จะมีอาการโกรธมันมีผสมกับความน้อยเนื้อต่ำใจ หมอก็เลยรู้เลยว่าความเจ็บปวดของเธอเกิดจากอะไรหมอนแนะนำว่าให้เธอให้อภัยที่สาวแต่เธอโกรธมากไม่พอใจหมอแล้วก็หายไปเลยจนกระทั่งผ่านไปหลายปีวันหนึ่งหมอก็ได้รับจดหมายจากผู้หญิงคนนี้เธอเขียนมาบอกว่าตอนนี้เธอหายแล้วให้โลกที่เป็นเน่เพราะว่าทำตาม ท, ท, ที่หมอนแนะนำคือให้อภัย คือทั้งหมดที่เธอเป็นเนี่ยมันเกิดจากความโกโรธนะแล้วโกโรธแล้วเนี่ยนะนอกก็ยังหวงความโกโรธเอาไว้นะหมอแนะนำว่าให้อภัยแกก็ไม่ยอมอันเนี้ยคนเราเนี่ยทำร้ายตัวเองโดยไม่รู้ตัวหรือว่าทำกับตัวเองเนี่ยเหมือนกับเป็นศัตรูโดยไม่รู้ตัว ท, ทั้งที่บอกว่ารักตัวเอง ทั้งหมดนี่เพื่อที่จะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะอะไรเกิดขึ้นกับเราเนี่ยมันจะไม่ทําให้เราทุกข์ใจจนกว่าเราจะวางใจไว้ผิดนะวางใจไว้ผิดเช่นไปยึดติดถือมั่นหรือว่าไปผลักใสดฟังดูมันขัดแย้งกันนะ เราทุกข์เพราะว่าเราไปผักใส่เนี่ยอย่างที่ธรรมาภิษฎาล่ะเราผักใสพอจะอไผักใสเนี่ยเราทุกข์แต่ในราเดียะกันเราก็ทุกข์เพราะความยึดมั่นถือมั่นไอ้ผักใสกับการยึดมั่นถือมั่นนี่มันคนละการกันเลยนะมันแทยไปตรงข้ามด้วยซ้ำแต่จริงจริงมันเกี่ยวเนื่อกันนะเพราะาอะไรที่เราไม่ชอบเนี่ยเราจะยึดโดยไม่รู้ตัว ตัวอย่างง่ายๆเนี่ยนาทีาตมาชอบพูดถึงเป็นประจำคือสมมติว่ามือเราเนี่ยนะถูกไปโดนปลารหลไปโดนถูกขี้หมาหรือไปถูกน้ําปลาเนี่ยนะมันเหม็นใช่ไหมเราไม่ชอบเราก็ล้างมือล้างนิ้วพอล้างเสร็จแล้วทําไงเอามาดมใช่ไหมเหม็นล้างล้างเสร็จก็มาดมนะยิ่งเหม็นเท่าไหร่ก็ยิ่งดมบ่อย ยิ่งโกรธใครเท่าไหร่ก็ยิ่งนึกถึงเขามากบางทีนึกถึงเขามากยิ่งกว่าพ่อแม่ของเราสินะยิ่งใครนะไปต่อว่าเราใน facebook เนี่ยนะโอเราโกรธมากใครมาต่อว่าเราในไลน์เนี่ยยิ่งดูแล้วดูอีกนะอ่านแล้วอ่านอีกนะใครที่ต่อว่าเราในในไลน์ในเฟซบุ o กเนี่ยเราจะดูอ่านแล้วอ่านอยู่นั่นแหละนะยิ่งผลักไสก็ยิ่งยึดติดนะ เราไม่ชอบความเศร้านะแต่พอเราเศร้าเนี่ยเราอยากฟังเพลงอะไรเราฟังเพลงสนุกมากเพอาเศร้าก็อยากจะฟังเพลงเศร้าใช่ไหมทำไมเราไม่ชอบความเศร้าเราอยากจะผักสายความเศร้าแต่ว่าเราอดไม่ได้ที่จะปล่อยใจใจมดิ่งในความเศร้าความเศร้ามันก็มีแรงดึงดูดนะและ้วเขาบอกไม่อยากเศร้านะ แต่เวลาเศร้าทีไรเนี่ยเพื่อนชวนไปเที่ยวยังไม่ยอมไปเนี่ยจะขอนั่งเจ้าจุกอยู่นะไม่ว่าจะเศร้าเพราะ อ, อกหกักไม่ว่าจะเศร้าเพราะสูญเสียคนรักการที่จะแยกเขาออกจากออกจากบ้านหรือออกจากที่เที่งเขาเนี่ยมันยากมากเลยนะแต่เพื่อนไหนจะต้องพยายามดึงเขาออกมาเพราะว่าไม่งั้นเขาจะจมในความเศราเ้าไปเรื่อยๆจนงบางทีถึงกับซึมเศร้าแล้วว่าฆ่าตัวตายแต่ถึงแม้จะไม่ไ ม, ไม่ไม่คิด ไม่คิดหนักขนาด น, นั้นแต่ว่ามันจะจมนะมีเพื่อนคนหนึ่งอันเธอได้เธอชอบผู้ชายคนหนึ่งแต่ผู้ชายคนนั้นไม่มีใจให้เธอก็อยากจะคบกันแค่เป็นเพื่อนเขาเขียนจดหมายมาถึงเธอเธออ่านเธอก็เสียใจเศร้สาสึงก็พอดีกับมีเพื่อนในกลุ่มหนึ่งเนี่ย มาหาเธอที่บ้านกดเกริงแล้วก็เรียกตะโกรเรียกที่หน้าบ้านนะไปเที่ยวกันนะพอเธอได้ยินเสียงเพื่อนเรียกที่เธอรู้สึกงุ่นงงขึ้นมาเลยนะนึกขึ้นมาในใจนะเวลาจะสุขก็ไม่สมหวังเวลาจะทุกข์ก็ยังมีคนมาขัดขวางอีกนะเราเป็นอย่างนี้หรือเปลนะ่าเวลาทุกข์มันอยากจะจงอยู่ความทุกข์ใครมาชวนเขาหวังดีกับเรา แ, แต่เราไม่พอใจเราโกรธเขาเนี่ย อันนี้เรียกว่าทำร้ายตัวเองทำกับตัวเองประหนุเป็นศัตรูเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาใครบอกว่าฉันรักตัวเองฉันรักตัวเองเนี่ยนะบางทีต้องถามว่ารักตัวเองจริงหรือเปล่าใช่มมีคนหนึ่งเป็นครูนะถูกโกงไปแสนหนึ่งโอเสียใจมากทั้งคับแค้นไม่รู้ว่าเธอประชดตัวเองหรือเปล่านะเธอก็ไม่ยอมกินไม่ยอมนอน อาแต่นั่งซึมเศร้าไม่ใช่เป็นวันแนละ้วเป็นอาทิตย์นะงานการก็ไม่ทําแม่ก็ปล่ยกินข้าวเธอแม่บลอยพักผ่อนเธอไม่กินนี่จะเธอรักตัวเองเนี่ยเธอทําทอย่างนั้นไหมไครทํานักแสดงว่าอะไรรับเงินมากกว่รักตัวเองพอเงินหายนะี่โอ้จะตายให้ได้แล้วพร้อมจะตายด้วยถ้าเกิดว่าอไม่มีสติ แล้วคนรักตัวเองนั่นแต่ว่าคนรักตัวเองไม่ทำอย่างนันแต่ดนะีที่ต่อหลักเธอได้สติเธอกกลับมากินข้าวเธอกกลับมากลับมาใช้ชีวิตตามปกติแต่ก่อนนั้นน่นมันเชื่อเห็นเลยนะว่าไม่ได้รักตัวเองนะแต่ว่ารักเงินนะคนเราเนี่ยบางทีเราไม่รู้ตัวหรอกไม่รู้ตัวหรอกนะว่าเรารักอะไรกันแน่และเพื่อเหตุนั้นเนี่ย มันก็ทำให้เราทำร้ายตัวเองโดยไม่รู้ตัวริงอยู่เพื่อนเนี่ยโกงเงินเธอไปแต่ว่าเพื่อนเนี่ยนะไม่สามารถจะทำให้เธอเศร้าซึมได้ศัตรูเนี่ยอย่างมากก็ ขโมยทรัพย์สินของเราโกงเงินหรืออาจจะทำร้ายร่างกายเราแต่เขาไม่สามารถจะทำให้เราเสียใจไม่ทำให้เราซึมเศร้าได้มีคนเดียวที่ทำอย่างนั้นได้ก็คือตัวเราอันตรายอยาจะพูดว่าไม่มีใครเนี่ยที่ขโมยความสุขไปจากใจเราได้หากว่าใจเราไม่ร่วมมือด้วยนะ เขาขโมยได้แต่เงินเขาขโมยได้แต่รถแต่เขาไม่สามารถจะขโมยความสุขไปจากใจเราได้คนที่จะทําลายความสุขในจิตใจเรามีคนเดียวนะคือเราถึาว่ามีคนโกงเงินไปนะเราแม้เราไม่ชอบนะ แต่ถ้าเรารักตัวเองเนี่ยเราจะยอมให้เสียเราจะยอมเสียแตงเงินแต่ว่าจะไม่ยอมให้ใจเสียด้วยแต่คนส่วนใหญ่เนี่ยเวลาเสียเงินแล้วเป็นยังไงใจก็เสียใจเสียคือก็เสียความสุขเสร็จ แ, แล้วก็พอใจเสียกินไม่ได้นราไม่หลับเสียสุขภาพเสร็จ แ, แล้วก็ไม่เป็นอาทํางาน ไม่มีสมาธิเสียงานนะแล้วก็มุดหิดง่ายเพื่อนมาหยอกมาละก็โกรธเพื่อนด่าเพื่อนเสียเพื่อนอีกหรือาบางทีทําอะไรที่ปกติไม่ทํานะมีเพื่อ น, ม, อนมีเพื่อนตำาคนหนึ่งพอตมาเล่าเรื่องนี้แกก็บอกเนี่ยมันไม่ใช่แค่เสียเงินเสียสุขภาพนะเสียเพื่อนนะหรือเสียงานนะมันเสียหมาด้วยนะ คือทำตัวทำตัวให้ทำตัวจนทั่งเสียภาพรักนะภาษาถ้าพื่อยสนั่นคือเสียเสียคนเสียภาพรักถ้าบวยวายทะเลาะบ่าแววงด้วยความหมุดหมิดสะสมกับคนรักกับเพื่อนกับพ่อแม่เนี่ยอันนี้ก็เรียกเสียสมรรถภาพคนอื่นเนี่ย ทำได้มากคือโกงเงินเราไปทำให้เราเสียเงินแต่ว่าเสียใจเสียสุขภาพเสียงานเสียเพื่อนหรือเสียสมรรถภาพเนี่ยไม่มีใครทำให้กับเราได้มีแต่เรานี่นแหละที่ทำกับตัวเองผู้เจ้าจดว่ามือที่ถ้ามือไม่มีแผลนะจับต้องยาพิกก็ไม่เป็นอะไร ไม่เป็นอันตรายแต่ถ้ามือมีแผลเมื่อไหร่เนี่ยไปถูกต้องยาพิษเนี่ยก็จะเป็นอันตรายถึงตายได้ยาพิษเนี่ยก็อาจจะหมายถึงสิ่งที่หรือเหตุการณ์ที่ไม่น่าพอใจมือก็หมายถึงจิตใจนะาัใจเราเนี่ยนะปกติไม่มีแผลเนี่ยความทุกข์จาก เหตุการณ์ต่างๆก็ไม่สามารถจะมาทําร้ายใจเราได้แต่ถ้าใจเราเนี่ยเหมือนกับมือที่มีแผลไอ้เหตุร้ายต่างๆเนี่ยมันก็จะสามารถจะมากระทบถึงใจทําให้เป็นทุกข์แผลเนี่ยมันก็คือช่องทางที่เปิดโอกาสให้ความทุกข์จากเหตุการณ์ต่างๆภายนอกนี่เข้ามาสู่ใจของเรา ท่านจะบอกได้ว่าเนี่ยไม่มีใครทําให้เราทุกข์ได้ถ้าใจเราไม่เปิดช่องให้ เ, เมื่อรู้ชนนี้แล้วเนี่ยเราควรทําอย่างไรนะในเมื่อเราต้องเจอความทุกข์ไม่ว่าจะมาในรูป ข, ของคําตําหนิเตยเตียนต่อว่ า, าด่าทอความสูญเสียความพัดพรากหรือแม้กระทั่งความเจ็บความป่วยสิ่งที่เราควรทําก็คือ ไม่ซ้ําเติมตัวให้มากไปกว่านั้นไม่ซ้ําเติมตัวเองเมื่อจะเสียก็ให้เสียแต่เงินแต่ว่าจะไม่ยอมเสียอย่างอื่นเสียใจเสียสุขภาพเสียงานเสียเพื่อนนี่คืออย่างหน้าที่เราควรจะทํามันเป็นสามัญสํานึกเลยทีเดียวนะต้องไม่ซ้ําเติมตัวเองปุจจะจัตว่าใช้ทั้งเชว่าไม่เอาทุกข์มาทับถมตน เวลาทำงานนะเหนื่อยอยู่แล้วเนี่ยถ้าระวางใจไม่เป็นเราก็จะทุกข์ใจด้วยนะทำไมเขากินแรงเราทำไมเขาไม่ช่วยเราเลยนะทันทีที่เราบน่นเพื่อนนี่นะใจเราทุกข์เลยนะมันจะไม่ใช่ทุกข์แค่กายเพราะทำงานแต่ว่ามันทุกข์ใจด้วยและทุกข์ใจเนี่ย หรือเหนื่อยใจเนี่ยบางทีมันหนักกว่าเหนื่อยกายแต่ถ้าคนที่ฉลาเนี่ยนะ mm. เขาจะเมื่อเกิดเหตุการณ์อันนี้ขึ้นเนี่ย mm. เพื่อไม่น่ารัก mm. เพื่อโรงงานอาจจะกินแรงแต่เขาจะ mm. เหนื่อยจะยอมเหนื่อยแต่กาย แต่ว่าใจไม่เหนื่อยนะเพราะถ้าปล่อยให้เหนื่อยใจนะมันก็ซ้ำเติมตัวเองตตอตมาเคยเคยเล่าที่นี่ฟังแล้วแต่จำไม่ได้ว่าครั้งไหนนะเมื่อประมาณ 4-5 หปีก่อนเนี่ ย, ม, ม, ย, ย, ย, ยมันมีรายการโทรทัศน์ทีวีไทยเนี่ยมันมีรายการพเมิงเด็กเ็จะเอาเด็กสามคนเนี่ยนะ วัยอาจจะมีตั้งแต่8ขวบจนถึง 13, 14, 1มขวบเนี่ยแล้วแต่แล้วแต่รายการเอามาทำกิจกรรมร่วมกันเช่นบางทีก็ไปเลี้ยงเอาอาหารไปเลี้ยงมา้าบางทีก็ทำความสะอาดห้องเรียนเพื่อดูว่าเด็กก็จะแก้ปัญหาหรือร่วมมือกันอย่างไรก็เป็นประโยชน์สอหรับผู้ปกครองและครูมีคราหนึ่ก็เด็ก3คนเนี่ยอายุมาสิบเอ็ดสิบองสิบสามเนี่ยช่วยกันขนของคึรถไฟ รถไฟมันมีตารางเวลาออกที่แน่นอนเพราะฉันต้องรีบขนปรกากว่าบ่ายวันนั้นเนี่ยสมจิตจงจงหอหนี่ยเรู้จักใช่ไหม น, น, นักชกเหรียญโอลิมปิกขึ้นชมมีการถ่ายทอดสด <S <S <ans> เด็กสองคนเนี่ย <S <S <ans> ก็เลยแวบบนะเลือกรอยนะไปดูโทรทัศน์ก็ายให้เพื่อนอีกคนหนึ่งเป็นผู้หญิงเนี่ยทำงานไปพิธีการก็เลยไปถาม เด็กคนนั้นเด็กผู้หญิงแลว่าคิดยังไงที่เพื่อนเข า, าที่งานไปดูสมจิตชกเด็กก็ตอบว่าก็เห็นใจเข า, าเพราะเเป็นแฟนสมจิตนานๆจะได้ดูสมจิตขึ้นชกหนูนี่ไม่ค่อยสนใจมวยหนูก็ทํา ง, งานของหนูไปพิธีกรก็ยังไม่พอใจคําตอบก็ถามก็แย้งนะแล้วหนูไม่โกรธไม่คิดจะด่าว่าเขาเลอที่เขาที่งานให้หนูทํำคนเดียวเธอตอบดีนะตอบว่าเนี่ยหนู ผลของคือรถไฟหนูก็ <counties> LOVE เห น, นื่อยอย่างเดียวท่าหนูไปโกรธไปด่าว่าเขาด้วยหนูก็เหนื่อยสองอย่างใช่ไหมถ้าเป็นเรารจะเหนกี่อย่างนะทำไปก็บ่นไปทําไปก็ต่อว่าเพื่อนไปอันนี้เรียกว่าซ้ําเติมตัวเองเพราะว่าทําให้เหนื่อยทั้งกายเนทั้งใจแต่คนนี้ฉลาดนะเขารู้เลยนะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราบ่นเมื่อไหร่ก็ที่ต่อว่าเนี่ยกำลังสร้างความเครียดแก่จิตใจงตัวเอง แล้วเขารู้ว่าถ้าจะเหนื่อยก็ควรจะเหนื่อยอย่างเดียวเพราะนั้นเนี่ยเวลาเราเจอเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์เนี่ยนะถึงแม้เราจะพยายามเลี่ยงยังไงแต่เมื่อมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยสิ่งที่เราควรทำก็คือรักษาใจของเราเนี่ยไม่ให้ทุกข์ไม่ซ้ำเติมตัวเองรักษาใจเราให้ปกตินี่เป็นอย่างแรกเลยนะ ทำยังไงเราจะรักษาใจาให้ปกติได้ก็คือหนึ่งี่อย่างที่จะมาพูดตอนแรกคือยอมรับยอมรับมันเกิดขึ้นแล้วการยอมรับนี่นะพอเราอะไรก็อะไรก็ตามที่เราก็ยอมรับเนี่ยนะไม่บน่นไม่วยวายเนี่ยนะมันจะเราจะกลับมาเป็นปกติได้คนที่ป่วยนะเป็นมะเร็งแล้วก็ตีโยตีพายว่าทาไมต้องเป็นชั้นทาไมต้องเป็นชั้นเนี่ยอันนี้กาลังซ้าเติมตัวเอง แต่ทันทีที่ยอมรับได้เออเป็นแล้วบ่นไปทำไมมันไม่ได้ไประโยชน์อะไรนะหรือว่าเงินหายไปแล้วบ่นไปก็ไม่ได้ไประโยชน์ยอมรับความจริงมันยอมรับมันยอมรับที่ใจนะไม่ใช่ยอมรับที่หัวนะมันต่างกันยอมรับมันเกิดขึ้นแล้วนะเพราะอะไรก็ตามที่เราพอยอมรับมันได้นะเรา เราจะวางมันลงได้เลยเราจะวางมันได้ง่ายแต่เมื่อกระต่างที่เราไม่ยอมรับมันเนี่ยเราจะวางมันลําบากสมมุติมีโทรศัพท์ดังขึ้นในห้องนี้เนี่ยนะหลายคนจะรู้สึกมุนหงิดทันทีลองสังเกตดูนะว่าที่เรามุนหงิดเพราะอะไรเพราะเราไม่ชอบเพราะใจเราเนี่ยพยายามผลักสายเสียงนั้นบางทีเสียงมันเพราะ ริงโทนก็เสียงก็เพราะแล้วก็ไม่ได้ดังอะไรมากเบาวกว่าเสียงคําำัญญาหัตมาที่แต่พอใจเราไม่ชอบเสียงนั้นนะใจเราก็จะไปจับอยู่ที่เสียงนั้นทันทีเลยแล้วก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาแต่พอเราลองทําใจยอมรับมันดูเออมันจะดังก็ดังไปนะอาจจะนึกเห็นใจเจ้าของโทรศัพท์ว่าเขาเขาลืมเขากําลังตอนนี้เ้าลำบากลำร่นกับการ หาเครื่องเพื่อที่ปิดเสียงมันอยู่เนี่ยพอเราคิดแบบนี้เข้าเนี่ยเออเราก็ความไม่มีความหงุดหงิดใจเราก็สบายนะ ร, ถนะรถติดนะรถติดเนี่ยนะมันทำให้เราเสียเวลาอยู่แล้วแต่พอใจเราไม่ยอมรับมันนะหัวมันมันจะทุกข์ขึ้นมาเลยแต่เราลองพยายาใจยอมเออมันจะติดก็ติดไปมันเป็นธรรมดา ความเงิงก็จะหายไปการยอมรับเป็นธรรมดาเนี่ยมันช่วยลดความทุกข์ได้เยอะในสายพุทธกาลมีผู้หญิงคนหนึ่งนะนางกีสาวพวตมีเนี่ยชื่อแกรเรียกว่าราบรื่รรนนะมีครอบครัวที่ดีสามีก็ดีออกรูปมาลูกก็น่ารัก แต่พอลูกอายุได้สองสามขวดลูกก็เสียชีวิตกระทันหางเธอทาใจไม่ได้ไม่ยอมรับว่าลูกตายแล้วยังเชื่อว่าลูกจะฟื้นขึ้นมาได้ก็ไปขออุ้มสอบลูกเนี่ยไปขอให้ใครต่อใครช่วยให้ปลุกลูกให้ฟื้นขึ้นมาใครก็บอกลูกเธอตายแล้วเธอก็ไม่เชื่อจนกระทั่งมีคนนึงบอกเนี่ยไปหาพุทธเจ้าสิพุทธเจ้าเนี่ยจะช่วยเธอได้เธอก็ดีใจอุ้ม สอบรูปไปพระพุทธเจ้าเนี่พอเห็นนางพอเห็นนางกิสากรก็จะมีรู้เลยว่าสอนนางไม่ได้นะพระพุทธเจ้านิเทศให้คนเนี่ยบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์มาเยอะนะแต่ว่าพอเจอนางกิสากรก็จะมีก็รู้ว่าจิตของเธอเนี่ยยังไม่เปิดรับธรรมะเพราะจิตมันท่วมท้นด้วยความเศร้าวความเสียใจการปฏิเสธผักใสพรพุทธเจ้าเลยตัสว่าเนี่ย พระองคช่วยได้ถ้าไปหาถ้าเธอไปหาเม็ผักกาดจากบ้านที่ไม่มีคนตายนางก็ดีใจนะเข้าไปในเชตวันเข้าไปในเมืองเพื่อที่จะไม่เชตวันสาวัตถีเพื่อที่จะให้เพื่อที่จะไปหาเม็ผักกาดทุกบ้านมีเม็ผักกาดแต่พอถามว่ามีคนตายไหมแต่และบ้านก็บอกเนี่ยมีคนตายหรือเพราะคนสมัยก่อนตายที่บ้านพ่อตายบ้างแม่ตายบ้างบ้านนี้ก็เสียสามีบ้านนี้ก็ เสียลูกเสียหลานปู่ย่าตายายไม่มีบ้านไหนที่ไม่มีใครตายเธอรน้อยเท่รน้อยเธอก็เริ่มเห็นความจริงว่าหรือตระหนักถึงความจริงว่าความสูญเสียนั้มันเกิดขึ้นกับทุกครอบครัวกับทุกคนไม่มีใครไม่มีครอบครัวไหนที่ไม่สูญเสียการที่เห็นความจริงแบบนี้ทาให้เธอ เริ่มยอมรับความสูญเสียของตัวเองได้สุดท้ายก็ ย, กยอมรับว่าลูกตายนะฮะก็ทำใจได้ก็เอาลูกไปเผาเผาเสร็จก็มาเฝ้าพระพุทธเจ้าทีนี้พูุทธเจ้าเนี่ยก็เห็นว่านางเนี่ยพร้อมจะฟังธรรมวก็แสดงธรรมบอกว่าเนี่ยมรรตยุย่อมพัดพาผู้ที่ลหลงไหลในลูกในทรัพย์หรือค้่องติดอยู่ในอารมณ์เช่นเดียวกับ น้ำป่าย่อมพัดพาผู้ที่หลับไหลไปฉะนั้นนางพิจารณาตามเนี่ยผสมกับความทุกข์ความสูญเสียที่เกิดขึ้นกับตัวเองเนี่ยบอกว่าจิตปัญญาก็เกิดเลยนะดวงตาเห็นธรรมได้กลายเป็นพระโสดาบันแต่ประเด็นที่อ่าพูดคือว่าไอ้ตอนที่เธอเนี่ยเธอหายหายจากความเศร้าโศกเนี่ย ก็เพราะว่าได้เห็นความจริงว่าความตายเป็นเรื่องธรรมดาก็ทำให้ใจเธอยอมรับได้พอใจเธอยอมรับได้เนี่ยจิตที่เศร้าโศกเนี่ยก็กลับคืนสู่ความปกติและพอได้ฟังธรรมะปัญญาก็ลุกโผล่ขึ้นมานการยอมรับเนี่ยนะมันมันเป็นมันเป็นมันเป็น วิธีการสําคัญในการที่ทําให้ใจเรากลับมาเป็นปกติได้เช่นแต่เราเราสามารถจะยอมได้ได้ได้ด้ยหลายวิธีนะเช่นยอมรับว่ามันเป็นธรรมดาหรือมีวิธีนึงคือยอมคือมองเห็นว่ามันมองมันในแง่บวกนะมองมันในแง่บวกก็ทําให้ใจยอมรับได้มีเพียงคนนึงเธอเป็นเธอเธอเธอเป็นมะเร็ง และเมืรที่เธอเป็นเนี่ย ม, มันต้องอาศัยการฉายแสงการฉีดเคมที่ในปริมาณที่สูงมากซึ่งหลายคนเนี่ยเรียกว่าแทบร้อยท้งร้อยเนี่ยแพ้อย่างแรงแต่พอเธอผ่านการรักษาแบบนั้นเนี่ยบอกว่าแพ้น้อยมากคนก็สงสัยว่าเธอทํ า, า, า, าทได้อย่างไรเธอก็บอกเธอไม่ได้ทำอะไรมากเธอก็เพียงแต่นึกว่า เวลาฉายแสงก็นึกว่ากาลังได้รับแสงสวรรค์เวลาได้รับเค ม, มก็กาลังคิดว่ากาลังได้รับน้าทิพย์ไอ้การคิดแบบนี้หรือการมองแบบนี้ทำให้ใจเธอเนี่ยไม่ปฏิเสธไม่กลัวพอใจยอมรับได้เนี่ยร่างกายก็ยอมรับได้ด้วยมันก็เกิดการแพ้น้อยมากแต่คนส่วนใหญ่เนี่ยไม่ทันจะฉายแสงไม่ทันฉีเค ม, มก็กลัวละ พรได้ยินกิจสสารว่ามันแพ้มากใจมันต่อต้านใจมันผักใสเนี่ยนะพอได้รับจริงๆเนี่ยร่างกายมันก็ต่อต้านมันก็เลยแพ้แพ้มากด้วยนะมีพี่คนหนึงแกเป็นแกเป็นโรคสะเก็ดเงินนะแกเป็นโรคสะเก็ดเงินและแรงมากนะจนทั้งแกเนี่ยต้องนอนอยู่บนต้องนอนบนใต้ใบตองนอน ปวดปวดมากแต่เธอเนี่ยกินยาระงับปวดน้อยมากเลยอะไรทํอะไรทให้เธออยู่กับรถสเก็ตเงินได้ทั้งที่มันปวด เ, เธอเล่าว่าเนี่ยเธอเป็นคนชอบทำบุญเวลาทำบุญเนี่ยนะทำบุญเสร็จเธอก็จะพูดกับสเก็ตเงินสเก็ตเงิน ถ้าเธอจะไปก็เอาบุญกุศลฉัไปด้วยนะแต่ถ้าเธออยู่เธอต้องระวังนะเพราะว่าเพราะว่ า, ายาที่ังกินมันแรงเธออาจจะตายได้ใจของเธอเนี่ยนะไม่ได้มีความเกียดสเก็เงินเลยใจของเธอมันมีแต่ความมันมีแต่ความรู้สึก ด, ดนะีจะเรียกเป็นความเมตตาก็ได้มันทำให้ปวดกายก็จริงนะแต่ว่าใจไม่ค่อยปวดเท่าไหร่แล้วใจที่ไม่ปวดใจที่ม่เมตตก็ทาให้ความปวดทางกายยมันทุนเลาลง แต่ถ้าเธอโกรธเธอเกลียดสะเก็ดเงินนะเธอเพยยาผักใสเนี่ยสะเก็ดเงินเนี่ยเธอจะทุกข์ใจมากแล้วความทุกข์ใจก็จะทาให้เธอปวดปวดมากขึ้นกรณีืองเธอเรียกว่าปวดกายนะแต่ว่าใจไม่ปวดหรือใจปวดน้อยมากก็ทําให้มันก็ทําให้กายเนี่ยปวดน้อยลงไปด้วยมันมีตัวอย่างของคน ป่วยหลายคนนะที่พอเขาวางใจแบบนี้แล้วเนี่ยเขาสามารถอยู่กับความอยู่กับทุกขเวทนาได้มันก็เป็นแต่ทุกขเวทนาทางกายแต่ว่าใจเนี่ยไม่ได้รู้สึกทุกขทรมารดด้วยอันนี้เรียกว่ายอมรับได้เพราะเห็นว่ามองมันในแง่บวก การมาในแง่บุญนี่ทำได้หลายวิธีนะอาตมาจะเคยรลายฟังแล้วนะจิตอาสาเคยไปเยี่ยมเด็ก 22, อียุสิบสองสิบสี่ผมเธอเรื่องทั้งหมดเลยเอผมเธอเรื่องหมดเลยแต่เด็กเนี่ยหน้าตายิ้มแยม้มจิตอาสาก็สงสัยผมมะเร็งสมองนี่จะตายเมื่อไหร่ไม่รู้เนี่ย นะทำไมอารมณ์ดีชวนเธอวาดรูปนะคุยไปคุยมาเด็กก็บอกว่าเนี่ยหนูโชคดีนะที่ไม่ได้เป็นมะเร็งมดลูกมีเพื่อนคนนึงเป็นมะเร็งมดลูกมีญาตกกิคนนึงเป็นมะเร็งมดลูกปวดมากเลยนะหนูโชคดีที่เป็นแค่มะเร็งสมองนะหนูโชคดีที่เป็นแค่มะเร็งสมอง ลองนึกทางกับกันวาถ้าเธอถ้าเธอมองในหัวนทำไมถึงเป็นมะเร็งสมองทำไมถึงโชคร้ายเนี่ยเธอคงจะทุกข์ทรมานมากอาจจะกลาดเกลียวนะโวยวายซึ่งก็ซ้ำเติมจิตใจเธอก็าไปใหญ่นะการมองการมองในแง่บวกเนี่ยนะมันช่วยทำให้เราสามารถอยู่กับหรือเผชิญกับเหตุร้ายได้ คำตอบว่าด่าทอก็เหมือนกันนะถ้าเราซื้อวผมมันเรามองมันในแง่ลบว่ามันแย่หรือเกินเนี่ยนะที่จริงอย่าว่าแต่คำตอบว่าด่าทอเลยนะเดี๋ยวนี้แค่เพื่อนไม่กดไลน์นี่ก็ทุกแล้วใช่ไหมมีลูกเพื่อนนะพอเธออัปโหลดรูปอัพโหลดเขียนในสเตตัสไม่มีไม่มีเพื่อนกดไลน์ก็เธอก็โทรไปหาเพื่อนส่งข้อความไปทางไลน์บอกให้ช่วยกดไลน์ให้หน่อยนะ ทุกมากเลยนะเพื่อนไ่กดไล <c oughs> แต่ถ้ามองในแง่บวกนะเออมันก็ดีนะนะมันเป็นการฝึกใจเรานะหรือมันก็เป็นการสอบเออนะคำชมกับคำคาดินทา ก, กสารเสริญเป็นของคู่กันนะเราก็ไม่ตื่ร้อนอะไร อย่างที่มีอ ด, ดีตเจ้าของเมืองโบราณคุณเล็กวิริยพันธ์ซึ่งเป็นเจ้าของเคยเป็เปนผู้ก่อตั้งวิริยะประกันภัยเสียชีวิตไปหลายปีแล้วลเคยพูดว่าวันไหนไม่ถูกตําหนิวันนั้นเป็นอัปมงคลนะถ้าวันไหนถูกตําหนิก็คือวันนั้นเป็นมงคลนะเพราะแกมองว่าไอ้คําตําหนินี่เป็นของดีนะมันช่วยทำมันช่วยลดอีกโก้ช่วยลดอัตตา ช่วยทำให้ไม่หลงตัวลืมตนเพราะว่าคนที่เป็นผู้นำหรือเป็นเศรษฐีเนี่ยก็จะมีคนชมคนสรรเสริญบางทีประจบสอบพลอถ้าไม่ถ้าไม่ระวังตัวก็เหลืองนึกว่าตัวเองเนี่ยเป็นเทวดาแต่พอโดนคนวิจายเขามันก็ทำให้กลับมามีสติแล้วก็ตระหนักว่าเราก็เป็นมนุษย์นะที่ผิดพลาดได้ไม่หลงตัวลืมตน นอกจากการยอมรับว่ามันเป็นธรรมดาหรือว่าการมองเห็นข้อดีของมันแล้วเนี่ยนะการรู้จักปล่อยวางก็สำคัญเหมือนกันนะอะไรเกิดอะไรเกิดขึ้นกับเรานะแม้จะเป็นปัญหาแค่ไหนแต่ถ้าใจเราไม่ไปยึดมันเนี่ยมันก็ไม่ทุกข์เท่าไหร่นะ ปัญหาจะเป็นสิ่งที่เราต้องเจอหนีไม่พ้นไม่ว่าในชีวิตในการทํางานแต่ว่าเราสามารถจะอยู่กับปัญหาได้โดยที่ไม่ทุกปัญหาทําปัญหาไม่ได้ทำให้เราทุกนะจริงๆแต่เป็นเพราะว่าเราไปแบกมันก้อนหินเนี่ยถ้าเราไม่แบกมันมันก็ เราก็ไม่ทุกข์เราก็ไม่เหนื่อยเราก็ไม่หนักเคยมีในตำรวจคนหนึ่งนะเป็นตำรวจที่ตรงชินซื่อสัตย์มากแต่ว่ามีความทุกข์ในการทำงานมากเพราะว่าเจ้านายเนี่ยก็ไม่สนับสนุนแถมไม่ชอบขี้หน้าด้วยนะ ทำงานยังไงก็ไม่ได้ความดีความชอบนะไม่ได้เลื่อนขั้นเพื่อรงงานก็กัดแกล้งแทงข้างหลังขัดแข้งขัดขามีความทุกข์ใจมากอยากจะลาจากราชการก็ไปปรึกษากับหลวงพ่อชาแต่ว่าไม่ได้ปรึกษาจริงๆไประบายมากกว่าไปเล่า เล่าพลั่งพูนะด้วยความทุกข์หลวงพ่อชาเนี่ยท่านก็ฟังฟังอย่างเดียวนะท่านก็ไม่ได้แนะนำอะไรพอเขาพูดจบท่านก็ชี้ไปที่ก้อนหินที่อยู่หน้ากุฏิท่านแล้วก็ถามว่าเห็นก้อนหินนั่นไหมเห็นครับหนักไหมหนักครับแบกไหวไหมแบกไม่ไหวครับเออ ถ้าแบบไม่แบกก็่าแบกมันนะพอได้ฟังเท่านี้ในตัวลราคนนั้นก็ได้สติเลยหลวงพ่อชาเนี่ยท่านท่านสอนแบบไม่สอนนะคือสอนด้วยการตั้งคำถามซึ่งทำให้เขาในตัวลราคนนั้นได้ตระหนักเลยว่าออที่ทุกเนี่ย พ่อไปแบกเอาปัญหาต่างๆมาไว้ปัญหาไม่ได้ทำให้ทุกข์ไอ้ตัวการทําำให้ทุกข์คือการไปแบกมันเอาไว้ก้อนหินไม่ทำให้หนักถ้าไม่แบกน้ำไม่ทำให้เจ็บถ้าไม่ไปเตะมันใช่ไหมฐานก้อนแดงๆเนี่ยไม่ทำให้ร้อนถ้าเราไม่ไปถือมันนะปัญหาไม่ได้ทำให้ทุกข์นะ แต่พอเราไปแบกมันสิงที่เราควรทําเมื่อเผชิญกับปัญหาก็คือแก้มันไม่ใช่แบกมันเอาไว้เคยได้ยนะินไหมที่เขาบอกว่าปัญหามีไว้แก้ไม่ได้มีไว้กลุ้มปัญหามีไว้แก้ไม่ได้มีไว้กลุ้ ม, ม, ม, ม, มเมื่อเราเจอปัญหาสิ่งที่เราควรทําคือแก้มันหรือใช้มันเนี่ยเป็นเครื่องฝึกเป็นบทเรียน แต่ถ้าเราเกี่ยวข้องกับปัญหาไม่เป็นเราก็ไปแบกมันต้องเกี่ยวข้องให้เป็นนะเหมือนกับหนี้เนี่ยนะมีหนี้เนี่ยหน้าที่ที่เราต้องพึงมีตอนนี่คือว่ามีหนี้ก็ต้องใช้แต่บางคนเนี่ยไม่ได้แค่ใช้ี่ไปแบกมาด้วยทํางานก็คิดถึงแต่หนี้ที่ยังสะสามไม่หมดนะกินข้าวก็นึกถึงหนี้ที่ยังต้องจ่ายอยู่กับลูกก็คิดถึงหนี้ แบกนี่ตลอดเวลาเลยอันนี้ก็เรียกว่าซ้ำเติมตัวเองนะเพราะว่าทำให้กินก็ไม่อร่อยอยู่กับลูกก็ไม่มีใจก็ไม่ได้อยู่เขาเต็มร้อย น, น้นๆวันวันึ่งมีเวลาอยู่กับลูกไม่ไมไมกี่นาทีไม่ถึงชั่วโมงควรจะอยู่ด้วยใจที่เต็มร้อยมีสติรู้สึกตัวอยู่กับเขามีให้ความสุขดีๆกับเขา ไม่ใช่นึกถึงแตนนี่จิตใจก็มีคเครียดหงุดหงิดแล้วก็เลยพ้นพิษใส่ลูกไปโดยที่ไม่รู้ตัวหรือแผ่ลังสีมาคู่ให้ลูกนะให้คนรักอันนี้เราซ้ำเติมด้วงด้วยแถมระบายความทุกข์ยคนอื่นนะ่จาจะโดยไม่รู้ตัวก็ตามนะนี่มีไว้ใช้ไม่ได้มีไว้แบกนะเคยมีคนถามหองพ่อพยอมว่าเนี่ย วัดสวนแก้วกู้เงินมาหลายสิบล้านนะั่นกู้มาเพื่อที่จะมาช่วยพัฒนาวัดเพื่อช่วยโครงการสําหรับอนุเคราะห์คนยากคนจนแต่เงินก็หลายสิบล้านหลวงพ่อเป็นหนี้เยอะแบบนี้เนี่ยหลวงพ่อเครียดนหนมะหลวงพ่อเป็นทุกข์ไหมมีคนถามท่านตอบดิสับอกว่าเนี่ย อาตมาจะเครียดจะทุกข์ทำไมคนที่ควรจะเครียดควรที่ควรจะทุกข์มากกว่าคือเจ้าของเงินนะพราว่าอาตมามีปัญญาจ่ายคืนเขาหรือเปล่านะท่ามีนี่แต่ท่านไม่แบ่งเนี่ยแต่ไม่ได้าจะเบี้ยวนะมีนี่ก็ต้องใช้นะแต่ใจก็ปล่อยวางด้วยนะใช้นี่ด้วยใจที่ปล่อยวางนะนี่แหละคือสิ่งที่ควรทําใช่ไหมก็คือว่าพยายามหาเงินมา เพื่อใช้ใจ่ายเพื่อใช้นี่นะแต่ว่าไม่แบกมันได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นนะท่านก็คงทำอย่างเทตมาคล้ายคล้ายชื่ออางสือตอมานะทำเต็มที่แต่ไม่ซีเรียสนะคุณทำงานเนี่ยก็ต้องทำงานด้วยถ้าทำงานให้ดีนะก็อย่าไปซีเรียสกับมันแต่ทำเต็มที่นะ แต่อย่าซีเรียสในผลของงานหลายคนทำงานแล้วทุกข์เนี่ยนะไม่ใช่ไม่ใช่เพียงแค่ทุกเพราะว่าไปบน่นไปว่าเพื่อนที่เขาไม่กินแรงไม่ช่วยเราไม่ใช่เพียงแค่ไปบน่นไปว่าเจ้านายนะที่เขาไม่ไม่สาบสนเราหลายคนยังทุกเพราะว่าไปมัวคิดถึงแต่ว่าเมื่อไหร่จะเสร็จเมื่อไหร่จะเสร็จหรือว่า ไปกังวลว่างานเสร็จแล้วออกมาแล้วเนี่ยจะเป็นยังไงจะดีไหมเจ้านายเขาจะว่าอย่างไงคนอื่นเขาจะพูดถึงเราอย่างไรเนี่ยพะคุณทำงานด้วยใจที่วิตกกังวลไม่อยู่กับปัจจุบันไปอยู่กับอนาคต น, นะคุณเครียดเลยใจที่ไปยึดติดอยู่กับผลทำงานด้วยใจที่ยึดในผลเนี่ยนะคุณจะเครียดแต่คุณจะทำงานยังมีความสุขถ้าคุณปล่อยวางผล แต่ว่าประกอบเหตุให้ดีทำเหตุให้ดีผลมันตามมาเองนะพระิทิจีเขาบอกว่ า, วาความพยายามเป็นของมนุษย์แต่ความสาเร็จเป็นของฟ้าถ้าพูดแบบแบบพุทธก็คือว่าทำความเพียรให้เต็มที่ประกอบเหตุให้เต็มที่ส่วนผลจะเป็นอย่างไรขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยนะถ้าคุณทำงานในใจคุณอยู่กับ งานนะั้นทําเต็มที่นะแล้วก็วางผลซะมันเออกมายัางไงมันจะเสร็จเมื่อไหร่ก็เป็นเรื่องของมันเมื่อคุณเดินทางเนี่ยไม่ต้องกังวลว่าเมื่อไหร่จะถึงเมื่อไหร่จะถึงคุณไปเที่ยวแต่คุณกังวลว่าเมื่อไหร่จะถึงเชียงใหม่เมื่อไหร่จะถึงภูเก็ตแทนที่จะเป็นการพักผ่อนการบรรเครียดเลยนะทั้งที่สองข้างทางก็สวยงามนะแต่เอาแต่คิดว่าเมื่อไหร่จะถึงเมื่อไหร่จะถึงหลวงพ่อของตามาท่านพูดอยู่เสมอนะนะ ว่ามันถึงต่อเมื่อมันถึงนะมันเสร็จต่อเมื่อมันเสร็จเพราะนั้นอเองพ่งไปสนใจว่าจะเสร็จเมื่อไหร่ใส่ใจอยู่กับงานที่ทําอันนี้เราปล่อยวางนะทาทางานด้วยใจที่ปล่อยวางหรือว่าปล่อยวางอย่างรับผิดชอบนะฮะปล่อยวางอย่างรับผิดชอบหรือพูดความนึงคือว่าทาเต็มที่แต่ไม่ซีเรียส ปอยวางนี่เป็นเรื่องของการเป็นเรื่องของใจนะใจไม่ปล่อยวางแปลว่าไม่ได้แปลว่าไม่ทำไม่ทำกิจนะแต่ว่าปล่อยวางเป็นการทําจิตคนไม่เข้าใจว่าปล่อยวางคือไม่ทํากิจนะก็คือปล่อยไปแล้วเลยไม่ใช่ปล่อยวางคือการทําจิตแต่ว่ากิจก็ต้องทําด้วยเจ็ป่วยขึ้นมาก็ไม่บ่นไม่โวยวายไม่ตีโพยติพายยอมรับว่าเออคนเราก็ป่วยกันได้ อันนี้เราปล่อยวางแต่ว่าก็ต้องทํากิจก็คือต้องเยียยารักษาการเยรียวยาษาเป็นเรื่องการทํากิจต่อร่างกายตัวเองดงนั้นคุณเวลาป่วยแล้วเนี่ยนะขอให้มันป่วยแต่กายใจอย่าป่วยนะอย่าซ้ําเติมตัวในการป่วยใจอันที่พูดมาเนี่ยนะเรื่องการรักษาใจไม่ให้ทุกข์นะเมื่อประสบทุกข์ เมื่อทุกข์มาถึงตัวแต่ว่าใจไม่ทุกข์เนี่ยหน้าที่แรกคือเราตล้องราาักษาใจไม่ให้ทุกข์ราาักษาใจปกติก็คือหนึ่งยอมรับมันสองมองมันในแง่บวกสามปล่อยวางซึ่งต้องอาศัายสติการที่ทาแค่นี้ไม่พอนะต้องทำมากกว่า น, นี้ก็คือหาประโยชน์จากมันหาประโยชน์จากมันคราวหนึ่งเนี่ย เพื่เราคงรู้จักพระองค์คลีมาองค์คลีมาเนี่ยท่านบวชพระตอนที่ท่านบวชใหม่ๆเนี่ยยังไม่บรรลุ ธ, ธรรมเนี่ยท่านก็เป็นคนที่ว่านอนสอนง่ายพุทธเจ้าบอกว่าให้รู้จักไปหากรีนามิตรท่านก็ไปหากรีนามิตรก็ไปเจอภาพรวมหนึ่งเป็นอวุโสเป็นพันเตชื่อว่าพระนันทิยะไปถึงก็ถามไทยถามความรู้จักพระนันทิยะพุทธเจ้าสอนอะไรท่าน พระเรทียท่านก็อธิบายนะว่าพระผู้ิพระเจ้าสอนว่าให้ปล่อยให้วางข้างหน้าข้างหลังและทํากลางก็คือไม่ยึดติดในอารมณ์ที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันอารมณ์ใดอารมณ์เพออารมณ์อารมณ์าอารมณ์ใดที่พอใจหรือไม่น่าพอใจเมื่อเกิดขึ้นก็ให้วางไว้เป็นกองๆองเขาว่าท่านบนบกก็ให้วางไวบ้บนบก อย่าเอาลงน้าขอว่าถ้าในน้ําก็ให้วางไว้ในน้ำอย่าเอาขึ้นวางก็คือวางคำดาเนี่ยนะขอว่าถ้าในเมืองก็วางไว้ตรงนั้นอย่าเอาย่าเอาไปเฉดตวันนี่เรื่องการปล่อยวางเสร็จแล้วก็ท่านอธิบายพูดต่อไปอีกว่าเนี่ยบุคคลใดก็ตามที่รู้จักหาประโยชน์จากอิทธารมและอนิถารมพระผู้มีพระพาวจาสารเสด็จวนะ่าผู้นั้นเป็นบัณฑิตอิทธารมก็คืออารมณ์วัตถุหรือเหตุการณ์ที่น่าพอใจ เช่นมีราบนะมียศประสบสุขได้รับคำสรรเสริญอันนี้ถาลมก็ตรงข้ามเสื่อมราบเสื่อมยศทุกขหรือนินทาคนฉลาดเนี่ยต้องหาประโยชน์ทั้งบวกและลบหลายคนเนี่ยนะ พอได้ลาบได้ยศแล้วเนี่ยนะถูกมันถูกมันสปอยนะหรือว่าเช่นได้ลาบได้ยศก็ไปเที่ยวเล่นเอาเงินไปใช้จ่ายกับเรื่องที่ไม่ถูกต้องนะบางทีฉลองกันนะได้เลี้ยงรับปริญญาฉลองหรือว่าเลื่อนตำแหน่งฉลองกินเหล้าเมา ขับรถเป็นไงลถความลดชนตายอันนี้เรียกว่าไม่รู้จักใช้ประโยชน์จากอิทธารมจากลาบยศสารเสรื่อที่ได้อันธนารลมเสื่อมลาบเสื่อมยศนะก็เหมือนกันนะใช้ประโยชน์จากมันต้องหาประโยชน์จากมันเช่นเจ็บป่วยนะเจ็บป่ว ย, ยก็ต้องหาประโยชน์จากมันอาจารย์พุทธะบอกว่าเนี่ยป่วยทุกทีก็ต้องฉลาดทุกที ท่านบอกว่าความเจ็บปวยมาเตือนให้เราฉลาดฉลาดเรื่องอะไรนะฉลาดเรื่องสังขารฉลาดว่าความปวยมาเตือนให้เรามาสอนเราว่าสังขารไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนสั่งไม่ได้สั่งให้มันยูดปวยมันก็สั่งไม่ได้สั่งให้มันหยุดไอมันก็ไม่ยอมนะสั่งให้มันหยุดเพลีย wear, มันก็ยังเพลียอยู่บันทียกแขนไม่ขึ้นเนี่ยสั่งให้มัน ยกเลมันก็ยกไม่ได้โอ้ะมันสอนได้ดีเลยนะเวลาเจ็บป่วยเนี่ยมันสอนให้เรา ไ, ได้เห็นถึงศัลธรรมอันนี้เรียกว่าใช้ประโยชน์จากความทุกข์หาประโยชน์จากมันไม่ใช่อาแต่เศร้าโศกอาแต่โมโหเอาแต่กัดกุมตายแล้วนี่จะไปทํางานยังไงเนี่ยฉันป่วยแบบนี้นะอันนี้ก็ขาดทุนอันนี้ก็ซ้ําเติมตัวเองเนี่มาป่วยแล้วทํางานไม่ได้ก็ลองคิดดูว่าเราจะได้อะไรจากมันบ้าง บางคนก็ถือโอกาสที่ได้พักผ่อนบางคนถือโอกาสอ่านหนังสือธรรมะอ่านไปมาก็พบคำตอบของชีวิตหลายคนก็ถึงอุษราคขอบคุณที่เป็นมะเร็งโชคดีที่เป็นมะเร็งนะคนเหล่านี้เนี่ยเขาเรียกว่ารู้จักหาประโยชน์จากความทุกข์ ความเจ็บป่วยเนี่ยมันมันมีอะไรให้เราได้เรียนรู้มากนะเมื่อวันอาทิตย์ที่แล้วไปเยี่ยมคนไข้ไปแบบจิตอาสานะก็ไปเจอคนไข้ที่แกล้างไตคนนึงก็สิบสี่ปีแล้วคนนึงังสิบเจ็ปีโอ้ล้างไ ต, นนงนนงงไตเนี่ยทุกสามวันนะหรืออาทิตย์ละสามครั้งเนี่ยอาทิตย์ละสองครั้งเนี่ยครั้งละสามชั่วโมงเนี่ยล้างมาแล้วสิบสี่ปี อยู่คนสิบ็ดปีแล้วมัแล้วันจะล้างได้อีกว่าไลนะเพราะว่ามันเกินมันเกินสถิติไปแล้ว แ, วแต่แกก็ไม่เคยทุกข์เท่าไหร่นะก็ถามกันเลยว่าเออไหนไหนป่วยทั้งทีเนี่ยได้อะไรจากความป่วยมาไหมเธอก็บอกว่าเออไม่เธอนะคือจริงๆแกเป็นกุญป้าแนละ้วจะเป็นกุญแจแล้วมัมันก็สอนให้เรารู้นะว่ารูปและนามมันไม่เที่ยมเป็นทุกข์แกใช้คำว่านี้เลยนะใช้คาว่ารูปและนาม รูปนะ้ำคือกายกับใจอันนี้เราเป็นคนรู้จักหาประโยชน์ความทุกข์เวลาเราสูญเสียงเงินทองเนี่ยแทนที่จะข้ามโศกเศร้าค่ําครวนโมโหเนี่ยเออลองถามว่ามันสอนอะไรเราบ้างมันบอกอะไรเราบ้างอันจะสอนว่าอย่าประมาทนะมันสอนให้เราให้มีสตินะต่อไปจะวางกระเป๋าเงินวางโทรศัพท์ก็ต้องระมรรัดระวังนะหรือมันจะสอนให้เรา เห็นว่าความพ่ายแพ้พสูญเสียเป็นธรรมดาหรือาอาจจะเตือนเราด้วว่าวันนี้สูญเท่านี้วันหน้าสูญมากกว่า น, นั้นมีผู้ชายคนหน่แกอันนี้มันหลายปีมาแล้วนะสมัยจะโทรศัพท์เครื่องลหลายหมื่นทุกวันนี้ก็ยังเป็นหมื่นอยู่นะโทรศัพท์แกหายแกเสียใจมากเพราะว่าข้อมูลเท่าไหร่อยู่ในโทรศัพท์ฉันจะไปแจ้งตำรวจนะแกไปหาหลวงพ่อเพราะว่านั่งทางในเพราะว่านั่งทางในเก่ง แท่ที่หลวงพ่อจะถามว่าหายที่ไหนยี่ห้ออะไรเมื่ อ, อไรหายท่านถามว่ามีรถไหมมีครับเอออยู่ไม่นานก็ไปมีบ้านไหมมีครับอีกไม่นานก็ไปเหมือนกันมีแฟนไหมมีครับเอออยู่ไม่นานก็ไปพอเท่านี้แหละแกกลาบของพ่อเลยกลับเลยนะไม่ใช่กลัวว่าจะเจอ คำแช่งที่มากกว่านี้นะ <c oughs> ที่หลวงพ่อพูดไม่ได้แช่งเป็นความจริงแต่มันทําให้แกได้เห็นเลยนะว่าเออเสียแค่นี้ยังดีนะต่อไปเนี่ยต้องเสียมากกว่านี้แล้วมันทําให้แกได้เห็นว่าความสูญเสียนี่มันธรรมดามีอะไรก็มีอะไรก็ตามในสุดก็ต้องไปต้องเสียทั้งนั้นนี่แกก็ได้ประโยชน์นะเสียโทรศัพท์แต่ว่าได้ไ ด, ได้ได้สติได้ปัญญาในเรื่องความไม่เที่ยงของ ชีวิตของทรัพย์สินก็เหมือนกับไอ้คนหนึ่งเนี่ยแกปีห้าสีนี่ถูกน้ำท่วมนะน้ำท่วมใหญ่ผู้คนเป็นหมื่นเป็นแส น, น, สนเนี่ยสิ้นเนื้อประดาตัวเสียทรัพย์สินเป็นจำนวนมากบางคนไม่ใช่แค่เสียเงินนะหรือเสียทรัพย์เสียจริตด้วยคือบ้าบางคนนึกว่าฆาตัวตายแต่ก็มีหลายคนที่ทำใจได้ ไม่มีคนพูดน่าสนใจบอกว่าเนี่ยน้ำท่วมเนี่ยมันก็สอนให้เขาได้รู้ว่าไม่มีอะไรที่เป็นของเราอย่างแท้จริงเลยทุกอย่างเนี่ยมันอยู่กับเราเพียงแค่ชั่วคราวเท่านั้นแหะแล้ววันดีคืนดีมันก็ไปจากเราถ้าไม่มีคนเห็นเราไปก็ไฟไหม้หรือว่าน้ําท่วมพัดพาไปอาตมาก็เรีกอย่างนี้เรียกว่ารู้จักหาประโยชน์จากเหตุร้ายจากความทุกข์ นั่นถ้าอาแต่โศกเร้าความครัวในนรียว่าขาดทุนรักษาใจให้ปกติก็เรียกว่าเสมอตัวแต่ถ้าได้ประโยชน์จากมันก็คือได้ปัญญาเออนะอะไรแล้วก็ไม่เทียงนะไม่มีอะไรทีเป็นของเราอย่างแท้จริง่างเงี้ยเรียกว่าทําให้มีปูมคุ้มกันความทุกข์ต่อไปเจอความสูญเสียก็จะไม่ทุกข์แล้วเพราะว่าทำใจตั้งแต่แรกอันนี้เราได้กำไรนะเพราะว่าเงินเท่าไหร่ก็ซื้อไม่ได้ทรัพสมบัติเนี่ยเสียไปก็ หามีเงินก็หาซื้อใหม่ได้แต่ว่าปัญญา บ, บันี้หาซื้อไม่ได้แต่ว่าถ้ามีแล้วเนี่ยมันทำให้ไม่ไมทุกข์เมืม่อต้องสูญเสียครั้งต่อไปอัตมาชอบใจอีกคนหนึ่งนะจะเป็นฝรั่งนะวันหนึ่งเดินเล่นอยู่หน้าบ้านก็มีผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยมากระแทก ทั้งหลังแล้วชนจนล้มลงทีแรกเมื่อเพื่อนร้อเล่นแต่ปรากฏว่าแกไม่รู้จักผู้หญิงคนนี้เลยหันหน้าไปเจอไม่รู้ใครผู้หญิงคนนั้นเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่แค่ผักแกให้ลูกคเดียวนะเอามีดจ้วงแทงตามลำตัวตามแขง40นะี่แผลแล้วก็ทิ้งปล่อยให้แกนอนจมกองเลือดโชคดีนะมีคนเห็นพาแกส่งโรงพยาบาลรอดตาย ในช่วที่รักษาตัวที่โรงพยาบาลเนี่ยไม่นานก็มีข่าวว่าตำรวจจับผู้หญิงคนนี้ได้ผู้หญิงคนนี้เนี่ยฆ่าคนมาแล้วเนี่ยในช่วงสิบวันนฆ่ามาแล้วสามคนอีกสามคนบาดเจ็บสาหาัสซึ่งแกเป็นหนึ่งในสามนั้นผู้หญิงค น, นี้ไม่รู้ไม่ได้โกรธเคืองใครเลยเนะแต่ว่าก็จ่วงแทง นัอพิมพ์ก็ไปถามสัมภาษณ์แกว่าตอนนี้จับตารวจตารวจจับได้แล้วเนี่ยมีอะไรจะบอกพี่คนนี้ไหมเธอผู้ชายคนนี่นแกชื่อจอร์จโรเจอร์เนี่ยแกตอบโดยไม่มีน้ำเสียงความโกรธแค้นหรือว่าความรู้สึกสมเพชเวทนาตัวเองเลยแกตอบว่าเนี่ยผมอยากจะถามเธอว่าเนี่ยทำไมถึงทํากับผมอย่างนี้คือไมีแต่ความสงสยัยแต่ไม่มีความโกรธแค้นแล้วก็ไม่ไม่ได้รู้สึก ว่าทําไมฉันซวยแบบนี้ผู้สื่อขาก็ถามว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยมันเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณบ้างไหมแก ต, ตอบว่ามันได้สอนให้ผมเห็นว่าแกบอกนี่แกบอบกมันทําให้ผมได้คิดเลยนะว่าวันหนึ่งเนี่ยผมเดินเล่นอยู่หน้าบ้านเนี่ยอาจจะมีรถเมยเนี่ยวิ่งมาชนทับผมตายก็ได้อะไรวก็เกิดขึ้นได้ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นทําความดี เสร็จแต่วันนี้หรือว่าทําสิ่งที่ดีที่สุดเสี็แต่วันนี้แล้วจะพูดว่าทําวันนี้ดีที่สุดก็ได้อันนี้เป็นตัวอย่างคนที่รู้จักหาประโยชน์นะจากเหตุร้ายแทนที่จะบน่แนแทนที่จะกลดด่าชะตากรรมแทนที่จะตัดเพ้อต่อว่าเกี่ยวกับหมอเออมันสอนอะไรเราสาหรับลุงโรเจอร์เนี่ยมันสอน มันเตือนให้แกไม่ประมาทกับชีวิตมันเตือนให้แกเรี่ยงทําความดีทําสิ่งดีๆเสียแต่วันนี้อันนี้เราเป็นผู้ที่หาประโยชน์จากความทุกข์นะซึ่งเราเนี่ยถ้าหากว่าเรารู้จักหาประโยชน์จากความทุกข์ในลักษณะนี้เนี่ยนะอะไรเกิดขึ้นกับเราเนี่ยนอกจากใจเราไม่ทุกข์แล้วเนี่ยเรายังได้ชีวิตเราจะเจอเจองาะ ง, งามมากขึ้นนะอันนี้คือวิธีหรือท่าทีในการรับมือกับความทุกข์นะ ก็คือว่าเมื่อมันเกิดขึ้นกับเราต้องต้องรักษาใจให้ปกติแล้วหาประโยชน์จากมันให้ได้แล้วถ้าเราทำเช่นนี้เราก็จะพบกับความสุขได้ง่ายนะความสุขอยู่ที่ใจนะมันอยู่ที่การวางใจนะความทุกข์จะทำอะไรเราไม่ได้ถ้าเราวางใจถูกและถ้าเราวางใจเป็นนะเราจะพบกับความสุข แม้กระทั่งในเวลาที่ประสบทุกข์เนี่ยุูเจ้าจัดว่าผู้มีปัญญาแม้ประสบทุกข์ก็ยังหาสุขพบนะผู้มีปัญญาแม้ประสบทุกข์ก็ยังหาสุขพบแม้เจ็บป่วยคุณก็ยังมีความสุขนะแม้ของหายคุณก็ยังรักษาใ จ, จปกติได้เพราะความสุขที่แท้จริใจนะที่จริงความสุขมันอยู่กับเราทุกขณะอยู่แล้วนะตอนนี้คุณก็มีความสุขอยู่แล้วอยู่ที่ว่าคุณจะเห็นหรือเปล่า Стати, ความสุงที่มันอยู่ใกล้นิดเดียวมันอยู่ใกล้แค่ปลายจมูกแต่อะไรที่อยู่ใกล้ขนาดปลายจมูกเนี่ยนะเราก็จะมองข้ามมันได้ง่ายมันก็ปลายจมูกของเราตอนเนี้ยเรามองไม่เห็นนะจมูกที่อยู่ใกล้นิดเดียวแต่เรามองไม่เห็นนะความสูงบางครั้งก็เป็นอย่างกันนะมันอยู่ใกล้เรามากเลยมันอยู่ที่ใจมันประทับอยู่ในใจแต่เราเป็นเพราะมันไกลมากเราก็เลยมองไม่เห็นเพื่อนตมาเนี่ยเขียนตกรสถึงเพื่อนคนหนึ่ง วันปีใหม่เธอเขีนว่าขอให้เธอเห็นความสุขไม่ได้บอกเขาไม่ได้เขียนว่าขอให้เธอมีความสุขนะเขียนว่าขอให้เธอเห็นความสุขเพราะอะไรเพราะว่าความสุขเนี่ยเธอมีอยู่แล้วอยู่เธอเจอเธอจะเห็นหรือไม่ เ, มเราทุกคนตอนนี้ก็มีความสุขอยู่แล้วอยู่ที่ใจเห็นหรือเปล่านะมันอยู่ใกล้ตัวเรานิดเดียวถ้าเรามีสุขภาพดีไม่เจ็บไม่ป่วยนั่นแหละคือความสุข การที่เรามาถึงนี่ได้เพราะเรายังมีตายังมีหูยังมีตามองเห็นยังมีหูที่ได้ยินกินอะไรก็ยังอร่อยยังมีมือมีเท้าที่เดินเหนไปไหนมาไหนได้จะไปเที่ยวไหนก็ได้นั่นแหละคือความสุขนั่นคือโชคนะที่มีอยู่แล้วอยู่ที่ว่าเราจะเห็นความสุขจะเห็นโชคหรือไม่ที่จริงความสุขมันอยู่แม้กระทั่งในอยู่กับลมหายใจขงเรานี่แหละ ถ้าเราเพียงแตเอาใจมาใส่ไว้กับลมหายใจเมื่อใส่ใจมาไว้ที่ลมหายใจอย่าหายใจลดทิ้งไ ป, ปเปล่าๆเอาใจใส่ลงไปด้วยลมหายใจธรรมดาธรรมดาก็จะกลายเป็นลมพิเศษที่สามารถจะเอาความสมบเย็นไปหลอ่อเลีกจิตใจปัดเป่าความหนักอกหนักใจออกไป ช่วยดับความรุ่มร้อนในใจเราได้ดนั้นความสงบเย็นเนี่ยในจิตใจเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ง่ายนะเพียงแค่เรามีสติการหายใจไม่ปล่อยใจออกไปท่องเที่ยวเพ่เเเพนผ้านนะแต่อาจามีอยู่ที่ลมหายใจความสงบเย็นก็เกิดขึ้นจิตใจเราทันที งันความสุขเนี่ยหาได้ไม่ยากทั้งหมดนี้เนี่ยถ้าหากว่าเราเอามาเราเอามาเอามาผสมผสานกันนะเจอทุกอะไรเจอทุกแค่ไหนใจก็ไม่ทุกนะแล้วเราสามารถจะประสบสุขได้ในทุกที่นะแล้วรก็่ช้เราผสมควรแล้วออก็ขอฤทธิธรรมญาติเท่านี้นะ แล้ถ้ามีข้อสงสัยก็เชิญถามได้นะคุณถามเลยค่ะถามได้เลยค่ะค่ะผุญาตถามค่ะทาอาจารย์เมื่อกี้เนี่ยรอาจารย์พูดถึงเรื่องของการมองโลกในแง่ดี positive thinking โ, โดยโดยหลักคำแล้วเนี่ยู้อุตา์เคยกล่าวไว้หรือคราะว่าตรงนี้เนี่ยการมองโลกในแง่ดีเนี่ยเออ ผมสงสัยว่าการมองโลกในแง่ดีกับการหลอกตัวเองเนี่ยมันมันเหมือนกันหรือว่ามันแตกต่างกันในในบริบทที่พระอาจารย์ได้เล่าเมื่อกี้เนี่ยอาตมาไม่ได้บอกมองโลกในแง่ดีนะอาตมามอกว่ามองแง่บวกมองแง่บวกแปลว่าอะไรมองใง่บวกก็แปลว่าหนึ่งมองเห็นสิ่งดีๆจากเหตุการณ์ที่มันแย่ ที่เจ้าจัดว่าสอนพระนันทิยาว่าให้หาประโยชน์จากอนิถารลมเนี่ยแปลว่าอะไรแปลว่าอนิถารลมคือความเสือเส่อมลดเสื่อมยศเสื่อมลาภเนี่ยผู้นี้มันมีประโยชน์มีข้อดีอยู่ที่มองให้เป็นใช่มมองแง่ดีเนี่ยนะมองแง่บวกของคนเนี่ยีความต่างๆนานาเช่นบา ง, างคนมองว่าอนาคตจะช่อช่วงชศชวานภาษาฝรั่งที่เร o p t i m ิม m สต หรือมองรถอย่างงี้ยดิแต่มองมองบวกครเทตมาพูดไหมครับว่าหนึ่งเห็นว่าอาอย่ามองเห็นแต่สิ่งแย่ให้มองเห็นสิ่งดีๆที่มันอยู่รอบๆสิ่งที่มันแย่ด้วยอย่ามองเห็นแต่สิ่งที่ขาดให้มองเห็นสิ่งที่มีตัวอย่างที่จะมาคิดว่าอธิบายได้ดีคือว่ามีมีมีครูคนนึงเนี่ย น, นะครูประฐมเนี่ย บอล น, นึงแกก็ชูกระดาษเอาสมมตินี่ชูกระดาษสีขาวนะขาวหมดขาวพรมแล้วแต่ว่ามันมีมุมกากบาดอยู่ตรงมุมขวาก็ถามนักเรียนว่านักเรียนเห็นอะไรนักเรียนบอกว่าเห็นกากบาดครับสีดําครูถามว่าเห็นอะไรอีกไหมนักเรียนตอบว่ามองไม่เห็นครับ ครูก็ตอบว่าคือก็เลยถามว่าแล้วเธอเห็นสีขาวของกระดาษหรือเปล่ามองแง่ลบคือเห็นแต่สีเห็นเห็นแต่กระดาษมองแง่บวกคือเห็นสีขาวของกระดาษด้วยนะคนที่เจ็บป่วยนะถ้าเห็นแต่เห็นแต่จดจ่อยแต่ไอ้ร่างกายที่เจ็ป่วยเนี่ยมันจะทอ้อแต่ถ้ามองว่าฉันยังมีตามองเห็นฉันยังมีจมูก ที่หายใจได้ฉันยังมีหูที่ยังได้ยินฉันยังมีร่างกายที่เดินเหนินไปไหนได้กจดจ็จะรู้สึกใจชื้นจะรู้สึกมีความสุขมากขึ้นอันนี้เลยว่าไม่ได้จดจ่อสิ่งที่แย่แต่เห็นสิ่งที่ดีๆอยู่ท่ามกลางสิ่งที่แย่นะไม่ได้เห็นแต่กระกระบายแต่เห็นสีขาวก็ด้นะหรือเหมือนกับที่ซี CEO เ k สุ ก, กี้นะประมาณปี53เนี่ยมันมีไฟมันมีจลาจลใช่ไหมมีการเผาตามศูนย์การค้าหลายแห่งเ k สุ ก, กี้โดนเผาไปสีสาขา CEO ก็ไปไรายงานอ่ะผู้จัด ก, การก็ไปไรายงาน CEO คุณริชทีรัคโกลแมนใช่ไหมบอกว่าเ k สุ ก, กี้ถูกเผาไปสีสาขาเสียหายไปหลายสิบล้าน สีหน้าแกเศร้ามากเลยแนตะ่ซีโอนี่เก็บเกบยิ้มเลยนะไม่มีสีทาความเศร้าโศกเสียใจแกบอกว่าเหมือนก็พูดเตือนเนี่าร้านเราถูกเผาไปสี่สาขาแต่เรามีทั้งสามรอยี่สิบก็คือว่ายังมีเงเหลืออีกสามสิบหกคนนึงเนี่ยมองแต่สีสาขาที่ถูกทําลายไปแต่คนนึงเนี่ยเห็นสามสิบหกที่ยังอยู่ใช่ไหมคนที่มองเห็นสามรสบที่ยังอยู่เนะี่ยคือมองบวก แกไม่ทุกเนี่ยเพราะว่าไอสิ่งที่เสียไปเนีสีสาขานี่มันแค่มันแค่ไม่ถึงหนึ่งมันแค่หนึ่งเปอร์เซ็นต์ใชของสิ่งที่มีเวลาเงินหายเนี่ยถ้าเราไปจดจ่อแต่เงินที่หายเราทุกมากเลยแต่ถ้าเรามองว่าเรายังมีอีกเท่าไหร่เนี่ยเร า, เพราะพบว่าสิ่งที่เรามีอยู่เนี่ยมันมากกว่าสิ่งที่หายไปหลายหลายร้อยเท่าก็จะไม่ทุกนี่คือความหมายมองแง่บวกแบบหนึ่ง มันไม่ใช่หลอกตัวเองเลยมันคือความจริงไอ้สองรู้สิผงนี่ก็จริงใช่ไหมการที่คุณยังมีตามองเห็นยังมีจมูกหายใจเดินเินไปไหนไม่ ไ, ได้ได้ถ้าหน้าที่เป็นมะเร็งเนี่ยนะอันนี้คือความจริงมีอ ว, วัยวะร้อยส่วนเสียไปหนึ่งทำไมต้องไปทุกข์กันหนึ่งในเมื่อคุณมีเกสเก้าส่วนที่มันยังดีใช่ไหมนี่คือความหมายหนึ่งนะวนควาหมายหอกรรมองแยบก็คอการมองว่าไอ้สิ่งที่แย่มันมีข้อดีอย่งไรบ้างตรงนี้แหละ ท, ที่พนันทีญาเนี่ยจัด นะว่าบุคคลผู้หาประโยชน์จากอนิจฐานลผ์ผู้เจ้าสารเสวนผู้นั้นเป็นบัณฑิตแปลว่าอะไรก็นอ น, นิจฐานลมมีประโยชน์อยู่เท่าจะมองเป็นไหมและที่เมื่อกี้ตมายกตัวอย่างว่าผู้มีปัญญาแม้ประสบทุกข์ก็ยังหาสุขพบก็แปลว่าอะไรในทุกเนี่ยมันมีสุขอยู่นะคุณต้องหาให้เจอแต่ที่จริงเนี่ยมันมีตัวอย่างในะการมองแง่บวกนะที่คล้ายๆกับ เด็กที่บอกว่าหนูโชคดีที่เป็นแค่มาเรสมองมีสมัยหนึ่งเนี่ยพระปุณณนะมาทูลักผูเจ้าว่าจะไปเมืองสุนทปันธะพู้เจ้าท้วงว่าคนสุนทปันธะนี่โหดร้ายถ้าท้าข้าด่าว่าท่านท่านจะว่าอย่างไรพระปุณณะตอบว่าขอด่าว่าก็ดีที่เขาไม่ทุกตี พระเจ้าตัดต่อยว่าถ้าเขาทุกตีท่านท่านจะว่าอย่างไรพระปุณณะก็ตอบว่าเขาทุกตีก็ดีที่เขาไม่เอาก้อนหินมาคว้างแล้วถ้าเขาก็อนหินมาคว้างท่านจะว่าอย่างไรพระปุณณะก็ตอบว่าเขาเอาก้อนหินมาคว้างก็ดีที่เขาไม่ออกไม้มาฟาดแล้วถ้าเขาไม่มาฟาดท่านจะว่าอย่างไรพระปุณ้ะก็ตอบว่าเขาไม่มาฟาดก็ดีที่เขาไม่เอามีดมาแทงพระเจ้าตัดต่อยว่าถามต่อว่าถ้าเขามีดมาแทงท่านจะว่าอย่างไรพระปุณ้ะตอบว่า เขามีมาแทน ก, ก็ดีที่เขาก็ดีที่เขาไม่มาฆ่าให้ตายแล้วถ้าเขาฆ่าท่านให้ตายน่านจะว่าอย่างไรพระคุญนัทตอบว่าคนบางคนอยากตายต้องไปหามีดหรือต้องไปจ้างคนมาฆ่าแต่นี่ถ้ามีคนมาทําให้ฆ่าพระองค์ก็ดีเหมือนกันคือไม่เหนื่อยคือท่านมองท่านมองทุกอย่างเนี่ยดีหมดเลยดีที่มันไม่แย่ไปกว่า น, นี้ใช่ไหมฮะอันนี้แหละคือมองแง่บวกใช่ไหมไม่ใช่มองโลกแง่ดีนะแต่มองแง่บวกคือความหมายนี้คือเห็นว่า ไอ้สิ่งที่แย่เนี่ยมันมีข้อดียังไงบ้างอย่างที่เมื่อกคุณบอกว่าเออเป็นมะเร็งก็ดีนะเพราะทาให้ได้มาพบธรรมะใช่ไหมวิกฤตเศรษฐกิจดีทําให้หันมาเจอหันมาสนใจกรรมฐานนะอันนี้เรียกว่ามองแย่บวกนะซึ่งมันเป็นการมองความจริงในอีกมุมหนึ่งไม่ใช่เป็นเรื่องการหลอกตัวเองนะไม่ใช่เป็นเรื่องการว่าวอนาคตก็สวยหรูแต่เป็นการมองความจริงที่กาลังเกิดขึ้นเนี่ย อีกมุมหนึ่งนะที่จริงเนี่ยนะอริยสัจสี่นี่นะนะโดยโดยเฉพาะข้อแรกนี่นะมันคือมันคือการหาประโยชน์จากความทุกข์เลยทำไมผร้เจ้าเนี่ยถึงพูดถึงทุกข์เป็นข้อแรกนอริยสัจสี่เพราะทุกข์เนี่ยเป็นประตูไปสู่นิโรธ ทุกน่เป็นประตูไปสู่นิโลธแต่ต้องเกี่ยวข้องกับทุกให้ถูกก็คือว่าทุกเป็นสิ่งที่ต้องกําหนดรู้ถ้ากําหนดรู้ทุกท่านใช้ว่าปริญญาปริญญาไปว่ารู้รอดเมื่อมีทุก์แล้วเนี่ยถ้ารู้ทุกให้รอดก็จะเห็นเหตุแห่งทุกและเมื่อรู้เหตุแห่งทุก เหตุแห่งความไม่ทุกข์มันก็จะปรากฏในตัวมันเองก็คือว่าถ้าแห่งทุกข์คือความยึดมัน่นเหตุแห่งความไม่ทุกข์ก็คือการปล่อยวาง่งถ้าเกิดถ้าถ้าเกิดรู้ทุกข์อย่างแจ่มแจ้งก็จะรู้ถึงเหตุแห่งความไม่ทุกข์แล้วผลทางแห่งความแห่งผลทางที่โรคก็จะเปิดวันนั้นจริงๆเจอทุกข์เนี่ยถ้าใช้มันเป็นนะจะพ้นทุกข์ได้ หลวงพ่อขอตมานพ่อขเขีท umm ่านเขีนท่านพูดไว้ดีมากเลยบอกว่าเมื่อเห็นเห็นเห็นทุกข์ก็พ้นทุกข์นะครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าถ้าอยากพ้นทุกข์นะต้องไปเจอทุกข์เพราะท่านหนีทุกข์จะไม่จะไม่รู้จักทุกข์และเมื่อไม่รู้จักทุกข์ก็จะไม่มีทางพ้นทุกข์ใช่ไหมคุณจะพ้นทุกข์ได้คุณต้องรู้จักทุกข์แล้วคุณจะรู้จักทุกข์ได้คุณต้องเจอทุกข์ถ้าคุณหนีทุกข์คุณยังไม่รู้จักทุกข์และถ้าคุณไม่รู้จักทุกข์แล้วคุณจะรู้ทางพ้้นทุกไไดอย่างร ดังนัทุกเนี่ยมีประโยชน์นะอยู่ที่ว่าคุณจะเกี่ยวข้ออ ย, อย่างไรส่วนใหญ่เจอทุกแล้วเนี่ยเดี้ยงเพราะว่าเจอทุกแล้วเป็นทุกทุกเนี่ยมีไว้เห็นไม่ใช่มีไว้เป็นหนังสือของท่านเจ้าคุณพรมพุทธารณ์ท่า น, นเขียนวนะ่าทุกมีไว้เห็นไม่ใช่ให้เป็นเห็นก็คือกําหนดรู้นั่นเองถ้าเห็นคุณจะกําหนดว่ารู้แต่คุณต้องเห็นเพราะนั้นเนี่ยทุกเนี่ยนะ สามารถจะเป็นสามารถจะนำไปสู่ความพดทุกข์ได้ถ้าเกี่ยวข้องกับมันให้เป็นเกี่ยวข้องกับมันให้เป็นนีก็คือทำไงก็คือเห็นมันอย่าเป็นมันมีมีบทสวดบทหนึ่งนะที่เราอาจจะคุ้นเคยนะถ้าเคยแปลข้าพเจ้าสวดบทของ่วนโมเนี่ยตีลักษณะทิคาถาจะมีวความว่าเมื่อใดบุคคลเห็นด้วยปัญญาว่าสังขารทกวรเป็นทุกข์ เมื่อนั้นย่อมเดินในในสิ่งที่เป็นที่ตนหลงนั่นแหละพื้นานของพระนิพพานคุณจะเห็นว่าสังขารเป็นทุกข์ได้เนี่ยคุณต้องเจอทุกข์แต่ถ้าเจอทุกข์แล้วเนี่ยไม่มีสติปัญญาไม่เกิดแทนที่จะเห็นทุกข์ก็เป็นทุกข์นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเจอทุกข์เนี่ยให้เราให้เราให้เราตั้งสติให้ดีแล้วก็ลองพิจารณามัน อยากอยากเป็นทุกข์แต่ให้เห็นทุกข์แล้วจะช่วยให้พ้นทุกข์ได้คือนิโรธด้วยเหตุ น, นี้เนี่ยอาจารย์พุท ธ, ธาจึงบอกว่าตอนจะตายน่คือนาทีทองเพราะว่าตอนจะตายเนี่ยถ้าพูดภาษาสมัยใหม่ น, นตอนจะตายเนี่ยหน้าตายแห่งโอกาสมันเปิดกว้างขึ้น ว่าตอนนั้นเนี่ยทุกเนี่ยมันแสดงตัวชัดเจนมากสังขารเนี่ยมันจะมันจะแสดงทุกให้เราเห็นมันไม่ใช่แค่แสดงเดียวมันตะโกนเลยถ้าว่าสังขารเป็นทุกโวยถ้าใจเราตอนนั้นแหละที่เราจะเห็นทุกอย่างชัดอย่า ง, างจำแจ้งถ้ามีสตินะแล้วตัวอย่างทุกอย่างจำแจ้งเนี่ยจิตจะหลุดพ้นได้ในพระไตรปิฎกเนี่ยจะพูดถึงพระอาหารหันต์จำนวนมาก ที่บรรลุธรรมตอนที่กำลังจะตายและร้อยทั้งร้อยที่บรรลุธรรมตอนนั้นเนี่ยที่เรียกว่าสมาสุทรสีเนี่ยเพราะตอนนั้นกำลังมีทุกขเวทนาแรงกล้าทุกขเวทนานเนี่ยมันทำให้ท่านหล่านั้นได้เห็นเลยนะว่าสังขารเป็นทุกข์มากไม่น่ายึดถือเลยเมื่อไม่น่ายึดถื อ, ปอเป็นไงจิตมันก็ปล่อยเหมือนกับที่เราเคยคิดว่า เคยเคยเคยนึกว่าอไอ้ทองเนี่ยที่เราถือในมือเนี่ยนะมันเป็นของมีค่าแล้ววนนึพบว่ามันเป็นฐานก้อน แ, นแดงๆเนี่ยมันปล่อยทันทีหรือเมือนกับคุณกําลังคุณแบกแบกขีดสมบัติเพราะเชื่อว่าข้างในเนี่ยมันเป็นแบงค์ธนบัตร ท, ที่มีค่าแล้ววันนึงเมื่อคุณเปิดออกมาพบว่ามันคือแบงค์คงเต็กเนี่ย คุณวางมานันทันทีเลยคุณไม่แบ่งมันต่อไปแล้วใช่คือการเห็นทุกข์เนี่ยมันทำให้ปล่อยวางได้ง่ายขึ้นเพราะนั้นเนี่ยการที่มองเห็นว่าทุกข์เนี่ยมันสามารถเป็นแรงส่งให้พ้นทุกข์ได้เนี่ยมันก็คือคือหัวใจนะของพุทธศาสนา หัวใจในคำสอนงผู้ศาสนาที่ทำให้ผู้จานเนี่ยสอนเรื่องปรยุท์สอนทุกขศาสตร์เป็นข้อแรกและนี่ก็เป็นตัวอย่างในงองคงการที่ให้เราเนี่ยรู้จักหาประโยชน์จากความทุกข์หรือเกี่ยวข้องกับทุกข์ให้เป็นซึ่งพูดแบบภาษาสมายัมยให ม, ม่คือว่ามันก็เป็นการมองบวแบบหนึง่ง คำถามนะตามที่พระาจารย์พูดมืกี้ว่าเวินาทีที่จะเทียจตายคือเป็นวินาทีท้องนะครับทีนี้ผมอยากจะทราบว่าเราจะคลองสติยังไงเวลาเราเจ็บปวดมากๆนะครับอย่างดูว่าผมเดินไปเตะโต๊ะเนี้ยมันเจ็บปวดจนแบบเหมือนคลองสติได้ไม่อยู่อะครับจะมีวิธีการยังไงให้คลองสติตอช่วงนั้นได้ถ้าพูดพูดแบบ ตลกน้อยๆนะคือต้องเตะบ่อยๆจนกระทั่งมีสติถือว่าการเตะบ่อยๆเป็นการฝึกอันนี้พูดจริงนะอาจารยพุทธธาตเนี่ยแต่ก่อนตอนที่ท่านยังหนุ่มเนี่ยท่านท่านก่อสร้างกุฏิในตัวเองท่านเป็นช่างไม้อาจารย์พุทธธาตนี่เก่งหลายอย่างนะช่างไม้ก็เป็นความสามารถหนึ่งของท่านแต่ท่านตีตะปูนี่นะบางทีตีผิดนะคอนก็ไปถูกเอานิ้วท่านก็ร้องแล้วท่านก็ต้องคิดว่าไอ้ทําไมเราต้องร้อง แล้วท่านก็เลยตั้งจิตว่าท่านเคยตั้งตั้งตั้งธงว่าไอ้ทําไงเวลาเราถูกถูกค้อนตีตีเว е ลาค้อนมันฟาด น, นิ้วเนี่ยแทนที่จะร้องทําไมไม่หัวร้อท่านก็ทำอยู่บ่อยๆนี่นะก็ใช้เวลานานนะแต่ในสุดเนี่ยพอท่านอตีค้อนผิดเนี่ยไปถูกมือเนี่ยท่านสามารถทียิ้มได้ คือฝึกบ่อยๆเงี้ยงั้นคำถามว่าทํางานอยู่มีสตินะคำตอบก็ต้องฝึกบ่อยๆฝึกบ่อยๆนี่เฝึกได้ได้สวิธีใหญ่คือฝึกด้วยการเจริญสติในรูปแบบและฝองสองเนี่ยฝึกสติจากเหตุการณ์จริงในชีวิตประจําวันจากรูปรสกินเสียงที่มากระทบที่ไม่ถูกใจเราเช่นคําตอบว่าดาทอคําตําหนิตีเตียนรถติดเงินหายเพื่อนไม่มาตามนัดไอ้ผู้เนี่ย ไอเหตุการณ์ที่มันไม่น่าพอใจเนี่ยเราฝึกว่าเออทาไงเราจะมีสติรู้ทันไม่หงุดหงิดไม่โมโห О. มันเกิดปุ๊บเนี่ยนะเรารู้ทันนะแต่ก่อนเนี่ยเกิดขึ้นทีไรโมโหหงุดหงิดราคาญแต่พอเกิดทำบ่อยๆฝึกบ่อยๆฝึกบ่อยๆเนี่ยมันตั้งสติได้เร็วนะอันนี้เราฝึกสติจากขัดสนที่ไม่น่าพอใจนะไอ่น่าพอใจก็ฝึกได้นะ เช่นเขาชมเราแล้วเราปลื้มเนี่ยตั้งสติให้ดีว่าเออเราต้องวางใจในปกตินะเจออาหารอร่อยเนี่ยใจมันฟูขึ้นมาใหมเออเราตั้งสตินะอันนี้ก็ได้หาประโยชน์จากอิฐารมกันใช้อิทฐารมเนี่ยเป็นประโยชน์ในการฝึกสติฝึกจิตไม่ว่าจะรทน้งอนิทธารมด้วยนะถ้าคุณฝึกบ่อยเนี่ยนะเวลาเจอเจอทุกขเวทนานหนักๆเนี่ยคุณจะมีสติได้ไวขึ้นนะ แล้วถ้าคุณฝึกสติ ด, ดีนะฝึกให้เป็นวิปัสสนาไม่ใช่แค่สมถะนะจนกระทั่งเห็นเลยนะว่าโอ้จริงๆแล้วเนี่ยสังขารเนี่ยมันมีแค่กายกับใจรูป ก, กับนามไอ้ทั้งเรื่อ ง, งตัวเนี่ยมันไม่มีจตกกายกับนามมีแต่รูป ก, กับใจไม่มีตัวเราอยู่เลยเวลากายเวลาเจ็บเนี่ยมันเป็นกายเจ็บไม่ใช่เราเจ็บ เวลาปวดเวลาเมื่อยเนี่ยกายมันปวดกายมันเมื่อยไม่ใช่เราเมื่อยหรือผู้ศึษาอาจาพุทธะคือไม่ใช่กูเมื่อยไม่ใช่กูปวดคุณมีใช้สติดูเนี่ยคุณจะเห็นเลยนะว่าถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันก็จะก็จะเห็นเลยนะมันไม่มีกูมันมีแต่รูปกับนามกายปวดเวลาปวดเป็นกายปวดไม่ใช่กูปวดเพราะถ้ากูปวดเมื่อไหร่ใจปวดตามเวลาโกรธก็เห็นนะว่าเออมันเป็นความโกรธที่เกิดขึ้นในใจไม่ใช่กูโกรธ เวลาดีใจก็เห็นนะว่ามันเป็นความดีใจที่เกิดขึ้นในใจไม่ใช่กูดีใจถ้าุูเห็นอย่างนี้บ้างเนี่ยมันจะเกิดปัญญาขึ้นมาก็คือเห็นว่าทั้งเนื้อทั้งตัวมันมีแต่รูป ก, กัมนานมีแต่กายปจัจจเวลาปวดเวลาป่วยเนี่ยมันจะป่วยแต่กายใจไม่ป่วยสมัยที่หลวงปู่บุดธธานะหลวงปู่บุดธธาเนี่ยท่านท่านบรรณาคลาบไปแล้วเมื่อ20ปีที่แล้ว ตอนนี้ท่านมร ณ, มรณภาพทั้งกาะอายุกว่าปีเรื่องที้เกิดขึ้นมาสักสี่าสปีเวลาท่านไปผ่าตัดเอานิ้วในไตออกผ่าเสร็จสิทีท่านก็บอกหมอว่าไม่เป็นไรแล้วเื่องชั่วแล้วก็คือจ ะ, จ ะ, จ, ะจะกลับวันแล้ะหมอก็ตกใจถามว่าถามหลพ่อหลวปู่ไม่ปวดเลยเพราะว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยเวลาแม้กระทั่งผ่าตัดน้อยกว่าท่านเนี่ยเล็กกว่าท่านเนี่ยก็ยังปวดว่าปวดเลยปวดปวดว่าปวดหลปู่นี่ผ่าผ่า ผาเยอะกว่ า, วาเขาหลงกูไม่ปวดเลยหลวปูทั้ตงตอ่อวปวดสิทำไมไม่ปวดร่างกายฉันก็เหมือนกับคนทั่วไปแหละแต่ใจไม่ได้ปวดด้วยใจไม่ได้ปวดด้วยอันนี้เพราะว่าท่านมีปัญญาจนเห็นว่าไอ้ความปวดเป็นเรื่องของกายมันไม่มีกูที่ปวดหรือผู้ยันว่าเห็นความปวดแต่ไม่มีผู้ปวด การเจริญกรรมฐานเนี่ยมันทำให้มีปัญญาเห็นอย่างนี้ว่าความทุกข์มีแต่ไม่มีผู้ทุกข์ซึ่งมันก็จะทำให้เห็นต่อไปนะว่าเวลาตายเนี่ยมันไม่มีใครตายไม่มีผู้ตายไอ้คนละทุกข์เพราะมันมีตัวกูเนี่ยไปผูกติดอยู่กับมันมีความยึดติดในตัวกูอยู่คราวนี้เนี่ยคำถามคุณเนี่ยคือว่าถ้าหากว่า ฝึกดีๆเนี่ยนะไม่เพียงแต่สติจะมั่นคงแต่ว่าปัญญาก็จะเกิดล้าถึงตอนนั้นเนี่ยเวลาปวดเวลามีทุกขเวทนามันก็ปวดแต่กายใจไม่ปวดด้วยนะต้องฝึกอยู่เวไวยใช่หลวงพ่ออเขียนของอตมซึ่งเป็นหลวงพ่ออมตมาซึ่งบรณภาพไปแล้วเนี่ยเพราะมาเร็งนะท่านเคยพูดว่าเนี่ยท่านเจอทุกเว ท, เวทนาเยอะนะแต่ท่านเคยบอกลูกศิษย์ว่า ความปวดนี่มันไม่ลงโทษเรานะอานไอความเป็นผู้ปวดอ่างๆที่มันลงโทษเราความปวดมันก็เป็นธรรมดานะแต่ความเป็นผู้ปวดเนี่ยนะอันนี้มันน่า ก, กลัว ก, กว่าแล้วความเป็นผู้ปวดเกิดขึ้นเพราะว่ามันไม่มีสตินี่ปัญญาคือหลงนะ่ะก็ไปยึดว่าเราว่าความปวดเป็นเราเป็นของเราเอจริงความปวดที่ไม่น่าจดเป็นเราของเราเลยนะ เออถ้ารถยนต์ถ้าเงินทองนี่น่ายึดนะแต่ความปวดนี่นะมันมันไม่น่ายึดแต่ทํามาเราไปยึดนะอันนี้ก็ก็เป็นคําถามนะมันก็ศัตรูนะศัตรูนี่ก็ไม่น่ายึดนะแต่เราไม่อยู่วกศัตรูของเราศัตรูของเราค <c oughs> ่กันต่อไปเราจะริ่วมกัน เรื่อเดียรทำน